นั่งสงบมัมีสติละลึกรู้จตนาจงใจให้มันอยู่กับกายเพราะจิตนี้ดิ้นรนกวัดแกงรักษายากห้ามอยากเตือนมาก็วิ่งออกไปข้างนอกเรื่ น, นั้นเรื่องนี้ทันีหรืออย่างน้อยก็วกวนอยู่กับเวทนาที่ปรากฏเกิดขึ้นช่วงนี้มันเป็นช่วงฤดูหนาวจะหนาว ตรงนี้เลยแต่หนาวไปสักพักหนึ่งมันก็เปลี่ยนแปลงหนาวเต็มที่แล้วมันก็ร้อนน้าสะทสัก อ, กองศาเจ็ดองศาเอปีใหม่ผ่านมาไม่กี่วันนะมันก็เก่าแล้ววันที่สิบห้ามกราเราก็สมมติกันวันนั้นเป็นปีใหม่วันนี้เป็นปีเก่าแต่ลึกๆชีวิตจิตใจเราไม่ได้ใหม่ขึ้นบองที มน้ำซ้ำร่างกายสังขารนี่ก็แก่สุดสูงลงไปดีๆแก่เท่าเนื้อเหี่วหนังยานอายุมากขึ้นใกล้ความตายเข้าไปทุกทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางทีไม่ต้องพูดถึงความแก่เลยความตายมาก่อนก็มีนี่พูดถึงร่างกายนะที่คนไม่เห็นยิ่งการตายทางจิตใจเนี่ยยิ่งเป็นทุกวันทุกวัน ตายแบบสมมุติคือคนเราตายทุกนาทีถุกความเปลี่ยนแปลงความคิดเกิดขึ้นมาอุปทานเกิดขึ้นแล้วมันก็หายไปดับไปเป็นการตายทางขันท่าทางกายทางท่าศเนี่มันตายครั้งเดียวแต่การตายทางขันท่าทางจิตวิญญาณเนี่ยตายทุกวันด้วนวันหนึ่งวันละหลายหลายร้อยครั้งพันครั้ง คิดอะไรขึ้นมาก็คือเกิดอีกสนอยดิมก็ตายไปเกิดขึ้นมาเลยก็ตายไปเพราะอะไรเพราะว่าเป็นการตายแบบสมมตุติการตายทางทาธาตุก็ตายแบบสมมุติการสลายของสังขารร่างกายเป็นสมมุติธรรมการตายทางความรู้สึกนึกคิดแต่ละครั้งแต่ละครั้งตัญหาอุปท า, านเกิด ความโกรธความโลภความหลงเกิดเกิดขึ้นแล้วมันก็ตายไปคือมันตายมันดับมันสลายบางทีเขาก็เรียกว่าความดับแต่ดับแล้วมันไม่สูญพอดับแล้วมันกลับมาเกิดอีกเรื่องเก่านะในการปฏิบัติธรรมเขาต้องการการให้เห็นการเกิดดับของจิตจิตที่มันเกิดขึ้นแล้วมันดับไปเกิดขึ้นแล้วมันดับไปอยาให้มันเห็นตัว เป็นการตายถ้าเกิดแก่เจ็บตายจะเป็นความทรมานของชีวิตแบบหนึ่งคือมันเกิดขึ้นมืกันตายไปเกิดขึ้นเมืกันตายไปเป็นเรื่องที่ทรมานท่านท่านให้มันเกิดเฉยๆอย่าให้มันแก่มันเจ็บมันตายเกิดแล้วให้มันดับเลยเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดเท่าไหร่ค่ามันเท่านั้นพุทโธทุกขัสคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเม พุทธะเป็นเครื่องฆ่าทุกข์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และส่งไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าเวลาเราสวดคือถ้ามีตัวรู้มีสติมีวิปัสสนาธรรมก็จะสามารถฆ่าความคิดความปรุงแต่งที่ปรากฏเกิดขึ้นในแต่ละขณะได้ ค่าความโกรธความโลภความหลงค่ากิเลสค่าตัณหาความคิดความอยากที่พุดออกมามันออกมาเท่าไหร่เราก็ฆ่ามันเท่านั้นเหมือนเชื้อโรคที่มีในตัวเราแล้วเราฉีดวัคซีนเข้าไปมันก็เกิดการต่อสู้ของมันอยู่ในทีข้างในเหมือนกันนะถ้าเรามีภูมิต้านทานโรคจะเป็นอย่างนั้น นี้เขาเรียกว่าภูมิต้านทานธรรมเรียกว่าภูมิธรรมเอาภูมิธรรมมาดับสิ่งที่ปรากฏอยู่ในใจที่เขาเรียกว่าเป็นธรรมารมที่มันแว บ, บเข้ามาเนี่ยเห็นมันแล้วก็ดับมันเห็นมันเกิดแล้วก็ดับไปเห็นมันเกิดแล้วก็ดับไปใหม่ๆก็จงใจเฝ้าดูเฝ้าระลึกรู้เฝ้าเห็นมันเกิดมายังไงก็ดับไปอย่างนั้น เห็นมันมายังไงมันมาทางไหนดับไปทางนั้นเกิดที่ตาหรือกระทบที่ตาก็ให้ดับที่ตากระทบทางหูจมูกดินกายใจทางอายตนะด้านไหนผัสสะที่ใดระ ล, ลึกรู้เฝ้าดูเห็นเป็นดับมันก็จะอยู่ภาวะที่มันเฉยเฉยใจเรามันไม่ปลงเอธเสสานิวีสมานานิวีสติ ปียมานาปยียติมันเกิดตรงไหนมันปรากฏตรงไหนก็ดับมันตรงนั้นคือหยุดการปรุงซะมันก็จะเป็นธรรมชาติคืนเข้าไปเข้ามาทั้งไหนนีไม่เอามาปรุงมาแต่งทีนี้ถ้าจิตมันจะมีความหลงหลงเข้าไปในความปรุงความแต่งหลงเข้าไปในความเกิดหลงเข้าไปในความดับ เราก็ออกมาอยู่กับการระลึกรู้เช่นเช่นเราเอากายมาเป็นนิมิตรกรรมฐานเอากายเป็นที่ตั้งแห่งการระลึกรู้ระลึกรู้กายกายเคลื่อนไหวมีสติร ะ, ะลึกรู้อยู่กับกายไม่ให้จิตมันไปปรุงแต่งมากเพราะในพื้นที่จิตนั้นถ้าความคิดเข้าไปมาก จิตจะถูกความคิดซึมซับอยูนะ่แล้วก็กลายเป็นจิต ท, ที่ประกอบไปด้วยราคะจิตเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเขาถึงเรียกว่าขันเนถ้าในขันเราเปื้อนด้วยสีแดงสีดำสีเหลืองสีขาวสีเขียวมันก็เป็นสีนั้นแต่าการปฏิบัติธรรมคือการเติมสารเคมี ที่มันไม่มีสีเข้าไปชะล้างสีพวกนั้นออกเพื่อให้ขันกลับมาเป็นขันที่ปกติไใหม่การกําหนดรู้ธรรมดาก็คือการได้น้ําธรรมดาเอาน้ําธรรมดาทีเข้าไปแต่เมื่อไหร่ที่วิปัสนาญาณเกิดขึ้นก็เหมือนน้ํายาสันไหลที่เราทีเข้าไปถ้ามันเปือเป้อนมันแข็งมากมันติดมันเกลือมันกลางมาก เราก็ใช้น้ำยาที่มันสูงกว่านั่นคือวิปัสนาญาณที่สูงขึ้นกว่าเดิมคือต้องพัฒนาตัวสติที่เข้มแข็งในระดับเป็นเหมือนน้ำยาล้างห้องน้ำที่เทเข้าไปแล้วมันออกไปแต่ดีโดยที่ไม่ต้องขัดอย่างเี่เขาโฆษณาวิคซ้อนพวกอะไรเนี่ย ที่ถ้าเราได้น้ําเปล่าๆอย่างเรายกมือสร้างจังหวิญญาณเก็เห็นความคิดบ้างอะไรบ้างมันก็ยังไม่ดับเพราะเรายังไม่ได้สารเคมีประเพีรนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงจริงนะในจิตคนบางทีเขาว่าถ้าจิตเราสงบดีๆถ้ารู้ตัวทุกอมแต่ละครั้งเหมือนกับอะดรีนาลีนที่มันหลั่งออกมาแต่ถ้าเทความคิดความอยากใส่บ่อยมันก็กลายเป็นเหมือนกับ สารที่มันตกตะกอนอยู่ข้างในนะเป็นพอะมันเทลงไปแล้วมั น, มนติดมันไม่ออกติดอยู่ในใจเราบางทีน้ำเนี่ยพอมนเป็นน้ำต า, มาทำให้เราเป็นนิว่วเวลาเรากินน้ำมากๆขนาดน้ำธรรมดานะมันยากมันติดถ้าใจดีเอา้าอินโดฟินใจไม่ดีเป็นอะดรีนาลีน ถ้าสุขภพก็เป็นแบบเนี้แล้วชีวิตวันวันหนึ่งเนี่ยเราเอาสารประเภทไหนไปใส่ในใจเรามากแน่นอนนะ่ะถ้าความคิดความปรุงแต่งความอยากเนี่ยเวลามันเข้าไปเนี่มันต้องทิ้งทิ้งตะกอนเอาไว้ในใจเราไอ้ตะกอนที่มันหล่นอยู่ในใจแล้วกลายเป็นความชอบความชังทําให้เราเกิดความหลงในภาวะอันนั้นว่ามันเป็นจริงนันคือสารที่ทําให้เราเป็นทุกข์แล้วเราก็ไม่คิดว่าเราเองเอาใส่ ตั้งทีมันมากับความคิดเราทุกวันทุกวันทุกวั น, ว น, ว น, ว น, วนสังเกตไหมเวลาเราทำอะไรสักอย่างที่แรกก็ธรรมดาสักพักหนึ่งทำบ่อยเข้าซ้ำเข้ามันจะกลายเป็นความรักหรือไม่ก็เป็นความชังความรักกับความชังก็ตกไปอยู่ในจิตของเราเป็นอภิชาเป็นโท ม, มนัทปฏิบัติธรรมเขาก็ต้องการให้ละอภิชาละโท ม, มนัทอยู่ในใจมันออก คือมันเข้ามาโดยไม่รู้ตัวแล้วเราก็คิดว่าเป็นตัวตนของเราเรามีรถสักคันหนึ่งแล้วก็คิดถึงมันไม่ใหม่ก็ไม่คิดอะไรนันเข้านั่นเข้าความรักก็มากขึ้นมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันความรักนี่จะกลายเป็นความทยานอยากเมื่อก่อนจะรักอันนี้แต่ต่อมามันจะเบื่อไหนอันนี้แต่มันจะรักเหมือนกันนะแต่จะรักอะไรที่สูงขึ้นกว่าเดิมม า, ม, ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจะได้คันใหม่ยี่ห้อใหม่ าราคาที่แพงขึ้นเนี่ยเขเรียกว่าความทยานจิตนี้ก็เหมือนกันความกโกรธใหม่ๆก็น้อยความรักความชังใหม่ๆน้อยแต่พอสะสมมากขึ้นมันจะมากขึ้นมากขึ้นสําคัญมันหมายมากขึ้นปฏิบัติธรรมนี้เพื่อสลายอความรู้สึกแบบนี้ไม่เข้ามาปรากฏในใจยิ่งเราศึกษาลึกเท่าไหร่ เห็นแจ้งรู้จริงในส่วนที่ลึกเท่าไหร่ก็แสดงว่าเรารู้จักธรรมะในส่วนลึกของชีวิตเขาเรียกว่าเรามาเรียนรู้อภิธรรมอันนี้อภิธรมธรมคือธรรมที่อยู่ลึกๆธรรมที่อยู่ในใจธรรมที่อยู่ข้างนอกนี่เขาไม่เรียกว่าอภิธรรมอะไรก็ตามที่มันเรื่องเกี่ยวกับความลึก อย่างเช่นปฏิบัติธรรมเนี้เราไม่มีพิธีกรรมพิธีการไม่มีสมมติเข้ามายุ่งกับมันเนี่ยเขาเรียกว่าอภิธรรมยิ่งศึกษาเรื่องกระบวนการการเกิดการดับของชีวิตจิตใ จ, จอารมณ์ที่อยู่ภายในยิ่งถือว่าเป็นอภิธรรมสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าตัดสรู้แล้วท่านก็จะแรียกตัดสรู้ที่ต้นโพล ขยับออกมาอยู่ที่ต้นมุจลินแล้วก็พิจารณาธรรมที่พระองค์ตรัสรู้นี่ท่าบมันเป็นเรื่องอภิธรรมเราสิ่งที่เราตรัสรู้นี่เป็นอภิธรรมเป็นธรรมที่สุ ข, ขุมลุ่มลึกยากที่ปูุ้ชนคนหนาคนหยาบนี่จะมาเรียนรู้หรือสัมผัสอันนี้ได้คนทั้งหลาย้องนพวงไม่อยากมาเฝ้าดูใจตัวเอง มันเป็นเป็นความละเอียดอภิเนีอาจจะแปลว่าเป็นเรื่องความละเอียดกันใดความลึกกันใดความใหญ่ก็นใดเป็นความยากกันใดมันเป็นเรื่องที่ละเอียดนั้นต้องไม่ใช่คนหยาบที่จะรู้จักกันเนี่ยแล้วความเพียรก็ไม่ใช่ความเพียรที่แบบฉากช่วยมันต้องเป็นความเพียรที่ต่อเนื่องที่จะสามารถเห็นธรรมที่ปรากฏในจิตในใจ ความปรุงแต่งความเกิดดับจนกระทั่งนําไปสู่การไม่เกิดไม่ดับที่ปรากฏในใจเราได้นนเนื้อพิธรรมนี่ยจึงหมายถึงความความเข้าใจในชีวิตทั้งหมดแนะแต่ไม่ต้องไปเรียนในระดับที่เป็นวิชาการแต่เรียนแบบวิธีมองกับเข้ามาข้างในในการจะเข้าไปสู่ธรรมะที่ลึกๆเนี่ยเราก็ต้องมียาน ยานพาสติเข้าไปรู้พาจิตพาใจเข้าไปรู้เนี่ยถ้าเราไม่เกาะ อ, อยู่กับสติเราปัญญาอย่างเช่นเราพูดว่าดูนะชีวิตนี่มันเป็นอนิจจงนะถูกขังอนันตาความคิดนี่มันเกิดมันดับอยู่นะถ้าเราไม่สร้างสติความรู้อันนี้จะกลายเป็นอยู่ในตำราในคำพูดแต่ถ้ามีสติ ระลึกรู้อยู่บ่อยๆเราจะสามารถเข้าไปรู้อะไรที่มันลึกๆอยู่ข้างในใจเราได้ที่บอกว่าเป็นอริธรรมอริธรรมเนี่ยจะ ก, ก้าวเข้าไปสู่จุดนั้นได้ต้องมีสติสัมปชัญญะเป็นญาณวิปัสนาคือนําไปสู่การรู้แจ้งเวลาเทศหรือแสดงธรรมเนี่ยเราก็พอเข้าใจนะว่าท่านพูดที่หมายถึงอะไรแต่เราไม่มีภูมิพอที่จะทะลุเข้าไปรู้อันนั้นได้ ไม่มีปัญญาพอที่จเฝ้าดูเห็นการเกิดการดับเปลี่ยนอันนี้จังทุกขังอนัตตาที่ปรากฏชีวิตในเฝ้าดูแค่เนี้ก็สิ้นทุกได้ดูความเป็นอนิจจังดูความเป็นอนัตตาในจิตเท่าเนี้ดูไปเรื่อยทุกวันทุกวันมันเกิดมาเห็นความคิดเกิดขึ้ น, นก็รู้ว่าเกิดอุปาทามันอาจจะตั้งอยู่นิดหนึ่งแล้วก็พังคะ ในวิปัสสนาญาณเขาใช้คำว่าพังขยานพังขยานคือเห็นความสลายไปของความคิดความปรุงแต่งเห็นความสลายสิ้นไปของความยึดมั่นถือมั่นในขันห้ายึดมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารเห็นมันเกิดแล้วมันก็สลายไปเห็นมันเกิดมันก็สลายไปอยู่เรื่อยๆมันปรุงแต่งมาท่ายเห็นมันเท่านั้น เห็นจนถึงแมว่ามันมีมีมที่เกาะเกี่ยวยึดติดผูกพันซึ่งต้องอาศัยความชำานาญแล้วอาศัยความเข้าใจอาศัยปัญญาไม่อยากพูดใช้คาว่าอาศัยเวลาพอพุทธศาสนาอันนี้มันเขาบอกว่าเป็นอาการลิโก ไม่เกี่ยวเวลาไม่เกี่ยวกับการเกี่ยวกับเวลาคือปฏิบัติได้ไม่เลือกยุคเลือกสมัยอาการิโกเอฮิปัสิโกโอปนัยโกปัจตังเวทิตพโววินยูหิหมายถึงว่าธรรมะที่มันปรากฏเกิดขึ้นแล้วของวินยูชนของคือผู้บรรลุธรรมระดับหนึ่งแล้วเนี่ยไอตัวรู้นี่มันจะเป็นอัตโนมัติมันสามารถทำงานได้ไม่เลือกการเวลา แต่ถ้าธรรมะของผู้ทุชนนี้มันจะเลือกการเวลาร้อนมากเราก็ทําไม่ได้หนาวมากก็ทําไม่ได้เิีวมากก็ทําไม่ได้เวลาเกิดอารมณ์จัดๆเนี่ยสติเราก็เจริญเตลิดเปิดเปลืงไปทําไม่ได้แต่ถ้ามันอยู่ของมันเองได้แล้วเป็นอากาลิกะธรรมแล้วเนี่ยเราทาได้ตลอดเวลาเลยเอา้าอยู่ที่ไหนก็ได้ความโลภโกรธ หลงปรากฏเกิดขึ้นสติมันก็ทำงานถ้าสติมันทำงานได้ลบได้ดับได้ตลอดเวลาเห็นทมความเป็นิีที่ปรากฏัเกาเรียกว่าเป็นอาการลิโกเป็นพโสดาบันนันเกิดขึ้นมากระดับเกิดขึ้นมากระดับเาเรียกว่าจิตตกกระแสกระแสความรู้สึกตัวกระแสของการรู้การเห็น จิตมันไปอยู่ณนะตรงนั้นนะสำหรับเห็นอนาะรมณ์ที่ปรากฏเกิดขึ้นตลอดเวลานั่นเรียกว่าเราเข้าถึงอริธรรมจริงๆแต่ในอริธรรมที่เราเคยได้ยินได้ฟังอริธรรมที่เราสวดไปก็เป็นอีกแบบหนึง่งที่เราสวดเมื่อกี้แต่ในความหมายก็คืออริธรรมเนี่ยคืออารมณ์วิปัสสนาอะไรอารมณ์วิปัสสนาการเข้าถึงธรรมในลักษณะต่างๆสามารถแยกแยะ แจกแจงออกมาให้คนรู้ว่าอาการของจิตมันเป็นอย่างนี้อ ย, นอย่างนี้นะโดยสัจธรรมมันเป็นอย่างเนี้นั่นคือคนเข้าถึงถึงวิปัสนาเมื่อเข้าถึงวิปัสนาเมื่อไหร่นั่นแหละคือการเข้าถึงอริยธรรมในพุทธศาสนานี่จึงมีสองแบบคือสมถะกับวิปัสนาและเรียนรู้เฝ้าดูกายกับจิตเมื่อเราเข้าใจกระ บ, บวนการของจิตอย่างแจ่มแจ้ง ก็คือเรื่องของมีปัสนานากฏเกิดขึ้นโดยตรงสมบูรณ์สมถะคิวบายให้จิตมันสงบเราเอาจิตไปเพ่งไปจ้องกับอะไรสักอย่างเป็นความสงบหรือไประ ล, ลึกนึกคิดวิต ว, วิจารณ์อะไรก็เป็นสมถะแบบหนึ่งในหลักก็ว่าสติ ฐานคือระลึกรู้อยู่กายเวทนาจิตธรรมนี้เป็นวิปัสนาแต่ถ้าอยู่กับเพ่งจ้องกับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเป็นสมถะเช่นกสินสิบอสุภะสิบอนุสติสิบอาหาเรปฏิกูลสัญญาหนึ่งจตุวัตุธาตุวัฏฐานสี่คืออารมณ์พวกนี้ กรรมฐานสี่บแบบคือการที่เราจิตไปไปอยู่กับอารมณ์ใดลมหนึ่งก็ตามแลึกถึงบุญคุณพระพุทธเจ้าลึกถึงคุณลักษณะของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วลึกถึงบาปบุญคุณโทษและลึกถึงคุณงามความดีที่เราเคยก่อสร้างมาบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงหรือเราเพ่งจิตให้อยู่กับธาตุดินน้ำไฟลมเพ่งจิต ให้มันจดจอ่อหรือติดอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งโดยมีสมมุติบัญญัติข้างนอกเป็นนิมิตกรรมฐานเพื่อให้จิตมันสงบระดับหนึ่งหรือเราพูดบริกรรมเพื่อให้จิตมันอยู่แบบพุโทโธพุโทโธหนึ่งสองสามสมาอัตังอะไรต่างๆพองยุบพองยุบพองยุบให้จิตมันอยู่คาพูดคาบริกรรมเป็นสมถะคือเป็นอุบายให้จิตมันสงบ อาการสงบนะเขาเรียกว่าสมถะจั้งจงสามารถทำได้หลากหลายเกินสี่สิบห้าสิบหกสิบหรือมากกว่านั้นก็ตามเป็นสมถะไม่ใช่เรื่องประหลาดนะไม่ใช่เรื่องผิดเรื่องถู ก, กอะไรคือทำให้จิตมันสงบด้วยสมถะแต่ถ้าคนรู้ตัวสมถะที่ระลึรกรู้สงบแบบนี้ เราสามารถดูความคิดดูอารมณ์ไปด้วยในขณะที่ทามันก็เป็นวิปัสสนากับสมถะที่มันเจือกันอยู่แต่ถ้าทาเพื่อให้มันสงบเพื่อให้มันนิ่งหรือไปติดอยู่กับคำบริกรรมติดอยู่กับกสินทั้งหลายทั้งปวงนั่นและสงบเฉยๆถามว่าทามานานอย่างพระพุทธองค์บอกว่าจเจริญวิปัสสนาเนี่ยเจ็ดวัน เป็นพระอาหารหันต์หรือไม่ก็เป็นพระอนาคามีชีวิตจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ เ, เพราะอะไรเพราะว่าตัววิปัสนานี่จะหมายถึงการเห็นปรากฏอาการของอารมณ์ไม่ใช่ให้มันหยุดนิ่งอยู่กับคำบริกรรมหรือกับนิมิตกรรมฐานอันใดอันหนึ่งแต่สามารถเห็นอารมณ์ที่มันเกิดมันดับตลอดเวลาเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขาร มันปรากฏเกิดขึ้นมาเป็นอันนี้จังความคิดมาเดี๋ยวมันก็ดับไปความคิดมานก็ดับไปความปรุงแต่งเกิดขึ้นก็ดับไปไอความทุกข์ตั้งหลายตั้งปวงที่เรามีแล้วทําให้สร้างปัญหาก็คือความยึดติดในความคิดนั่นแหละเมื่อไหร่ที่สลายความคิดอัตตาตัวตนเป็นเห็นปรากฏการณนี้ชัดการปล่อยวางก็เกิดขึ้นได้มากแต่ถ้าเราไม่ให้มันคิดไปหยุดจ้องเพ่งกด หรือเกาะยึดติดกับนิมิตกรรมฐานอะไรอันหนึ่งคําบริกรรมคําภาวนาอะไรแล้วให้จิตมันสงบเออมันไม่ค่อยคิดนะถ้าพูดอย่างเนี้ยบริกรรมอย่างนี้จ้องอยู่อย่างนี้นะแต่นั่นก็จะไม่เกิดปัญญาใหญ่ท่านถึงบอกว่าวิปัสสนาในพระพุทธศาสนานี้จะมีวิธีเดียวที่จะนําไปสู่การบรรลุธรรมรู้แจ้งเห็นจริงเนะี่ยคือการะระลึกรู้มีสติะระลึกรู้อยู่ตลอดเวลา และลึกรู้อยู่ที่ไหนที่กายกับจิตนี่แหละคืออยู่ที่กายเห็นกายอย่างเงี้ยมันก็จิตมันก็อยู่ตรงนี้และลึกรู้เฝ้าดูแต่ไม่ได้ไปแยกแยะเป็นอสุภะไม่ได้แยกแยะเป็นซากศพส่วนมากเวลามันคิดแล้วเราต้องไปแยกแยะไปปรุงไปแต่งไปวิตกวิจารมันเนาะ มือนป่าช้าทั้ง9แยกออกเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าบางทีมันมีสมาธิระดับหนึ่งมันต้องมาแปลงความรู้อันนี้แปลงสมาธิออกมา น, นี้ให้มันเป็นปัญญาแต่วิปัสสนานีไม่ต้องแปลงคือเรียนรู้แล้วเฝ้าดูเห็นนากานที่ปรากฏได้เลยท่านไดงบอกว่าวิปัสสนาไม่จําเป็นต้องมีสมาธิอะไรมากมาย คือระลึรกรู้เฝ้าดูด้วยสติที่เรามีนี่แหละให้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเขาเน้นการเกิดขึ้นของปัญญาบางคนสติไม่มากนะแต่เห็นความเกิดขึ้นซ้ำซากจำเจของความคิดความปรุงแต่งอันนี้เดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับแล้วเราก็ตกเป็นทาตของความคิดนี่อยู่ๆจิตก็จะตื่นโพงสว่างแจ้งขึ้นมา แล้วกลายเป็นวิปาาัสนาญาณคือไม่จำเป็นต้องให้มันนิ่งมันดิ่งอะไรมากมายเหมือนพระนันทะน้องชายพระพุทธเจ้ารักคนด้านรักคน น, น, ค น, นี้ไปเห็นใครก็รักเห็นใครก็รักจงกระทั่งว่าเกิดปัญญาด้วยตัวเองว่าอจิตเนี่ย มันมีตันหามีความทยานอยากไม่มีที่สิ้นสุดนะเนี่ยเห็นอะไรก็รักไปข้างหน้าเรื่อยๆพอใจไปเรื่อย ๆ, ๆที่เราเป็นทุกข์อยู่ทุกวันเนี่ยเพราะเรามาสร้างความคิดความหวังกับจิตของเราเองเนี่ยซึ่งมันไม่มีตัวตนในสุดท่านก็สว่างก็บรรลุธรรมสิ้นทุกข์คือทำยังไงอะเราจึงจะเห็น ความคิดความปรุงแต่งเราเนี่ยว่ามันเป็นความทุกข์ความยึดติดยึดมันหรือมันในเป็นความทุกข์ทำยังไงความเห็นว่าเป็นทุกข์เนี่ยจึงจะอยู่ในระดับที่เป็นวิปาาัสนาญาณที่เรียกว่านิพพิทาวิราคะความเหนื่อยหน่ายในสังขารเหนื่อยหน่ายในสังขารในความยึดติดต้องการที่จะละละความยึดติด จนกรทั้งเกิดนิพพิทานิพพิทาวิราคะความเหนื่อยหน่ายคลายกำหนดในความคิดความยึดความปรุงความแต่งปล่อยวางมันออกไปเราปฏิบัติทําบางทีเรื่องไหนที่เราชอบเราก็ไม่ปล่อยนะเรื่องไหนที่ไม่ชอบก็พอปล่อยบ้างแต่บางทีไอ้ไม่ชอบต้องหาเหตุหาผลอยู่นั่นแนหะถ้าเหตุผลในความคิดมันเป็นที่พอใจเออก็พอปล่อยได้ไอ้ที่มันไม่พอใจก็ติดอยู่นั้น ทั้งจริงๆจิตมันสร้างมายาขึ้นมาเฉยเฉยพอใจไม่พอใจเนี่ยเป็นอาการของจิตที่ผิดปกตินั่นเนองเพราะจริงๆเนี่ยจิตมันต้องอยู่เฉยเฉยถ้ามันสิ้นความอยากมันจะเฉยเฉยเหมือนคนไปถามพระพุทธองค์ว่าตายแล้วเกิดใช่ไหมตายแล้วศูนย์ใช่ไห ม, ต า, มตายแล้วเกิดก็มีศูนย์ก็มีใช่ไหม ไอ้ความรู้สึกความนึกความเห็นเรียกว่าทิฏฐิทิฏฐิคือความเห็นความเห็นแบบนี้ที่ปรากฏในจิตของผู้ใดเนี่ยตรงนั้นมันเป็นมิจฉาทิฏฐิเมื่อ น, นั้นเมื่อไหร่ที่คุณคิดผิดปกติออกจากฐานเดิมเนี่ยมันเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้ททงนั้นเลยนั้นพระพุทธองค์จึงตอบว่าผิดหมัดเลยใ้ความรู้สึกแบบเนี้ยเพราะมันผิดจากความเป็นปกติของจิตของแต่ละคน คนไหนคิดแบบนี้เป็นมิจฉาทิจิตายแล้วเกิดก็ใช่ก็ผิดตายแล้วศูนย์ก็ผิดตายแล้วเกิดก็มีศูนย์ก็มีก็ผิดเหมือนเดิมคือจริงๆมันต้องไม่มีความรู้สึกความลึกความเห็นแบบนี้ต้องอยู่ในภาวะจิตที่มันเป็นปกติ น, นั่นเอแต่บางคนถ้าปฏิบัติยังไม่ได้เหมือนลูกสาวในช่างหูที่ฟังไปวันก่อน เวลาพระพุทธองค์ถามท่านว่ามาจากไหนมันหลวงไม่รู้แล้วจะไปไหนพอจะรู้ไหมรู้ไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันเขาพูดภาษาอภิธรรมมาเนี่ยภาษ า, า, า, าจิตมาจากไหนเนี่ยมาจากอวิชชาขึ้นมาจากความไม่รู้ คือความคิดแต่ละครั้งความทุกข์แต่ละครั้งที่มันปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยเขาถามว่าจิตดวงนี้มันวาจากไหนมาจากความไม่รู้แล้วมันจะไปไหนเนี่รู้ไม่รู้ไปไหนไปสู่ความโลภความโกรธความหลงถ้ามันมาด้วยความไม่รู้เนี่ยกระบวนการที่ปรุงแต่งไปข้างหน้าก็มีแต่ทุกข์กับทุกข์นี่แต่ความโลภความโกรธความหลงมูลหยิดอุดรักชัง ก็จะไม่เกินดนี่ไปเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะไปเมื่อไหร่นี่เมื่อไหร่ที่เราไม่มีสติไม่มีความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะไปจะ ด, ดีพระพุทธเจ้าพูดกับลูกสาวในช่างหกนีพูดภาษาใจแต่พระเขาบอกอไอ้นี่มันพูดยวนเนี่ยรู้ไม่รู้รู้รู้ไม่รู้เลยคือคนไม่รู้ก็คือไม่รู้นะแต่คนที่รู้นี่ ภาษาพูดพูดยังไงก็เป็นภาษาธรรมเป็นภาษาอภิธรรมภาษาจิตคนไหนรู้จักขันห้าคนนั้นก็รู้จักอภิธรรมรู้จักเรื่องในใจก็คือเรื่องสติปัญญาแบบวิปัสสนาตัววิปัสสนาคือตัวภาวะที่สองสวา่างเข้าไปในมุมมืดของชีวิตที่มันเป็นความลับมานานตั้งแต่มนุษย์เกิดขึ้นมา เราไม่รู้ความลับอันนี้เราก็เลยเป็นทุกข์ศาสตร์ทั้งหลายทั้งปวงก็ปรากฏเกิดขึ้นนะวิทยาศาสตร์ภาษาศาสตร์ไสยศาสตร์คือเกิดขึ้นมาเพื่ออธิบายในมุมที่มันมืดนะว่าชีวิตเราทําไมจึงเป็นทุกข์และจะออกจากทุกข์นี้ได้ยังไงทุกข์เนี่ยมันไม่เกิดจากการไม่รู้ปรากฏการณ์ ความเป็นจริงของชีวิตแต่วาศาา ต, ตั้งหลายก็อธิบายเพียงได้วัตถุคือมันเข้าไม่ลึกพอมันไม่สามารถที่จะเจาะเข้าไปเห็นว่าเบื้องหลังของการคิดการนึกการปรุงแต่งหรือการหยุดยัง้งภาวะวิกฤตชีวิตที่ทำให้เกิดความโลภโกรธหลงเนี่ยมันเกิดจากอะไรจนกระทั่งพระพุทธองค์ท่านมาพูดถึงเรื่อง ปฏิจจสมุปบาทคนไหนมีวิปาาัสนาญาณคนไหนรู้แจ้งอภิธรรมก็คือการรู้กระบวนการห่วงโซ่ของความคิดที่ต่อกันเป็นทอดๆมา12ลักษณะ12อาการที่มันปะติดปะต่อกันเกิดขึ้นปะก็เหมือนปะผ้านี่ ติดก็เหมือนกับเอาอะไรมาติดสักอันหนึ่ง เ, เรียกว่าปะติดปะติดจะสมุปบาทก็คือการเกิดขึ้นสมุปบาทคือการเกิดขึ้นเกิดขึ้นของความคิดการเกิดขึ้นของความคิดแล้วมันติดต่อกันไปเรื่อยๆต่อเนื่องกันต่อเนื่องก็เป็นข้อเป็นข้อไป12อาการ12ลักษณะนี้คนไหนสามารถเห็นเร่องนี้ได้แสดงว่าคนนั้นรู้จักอริธรรม นั้นเรามาเฝ้าดูจึงเห็นว่าความคิดมันเกิดนะเอเมันดับแล้วนะเพราะมันต่อเนื่องนะวันนี้มันเป็นอวิชชานะพอมีอวิชชาไม่รู้สึกตัวเนี่ยปรุงแต่งเป็นสังขารนะจากสังขารนี่เป็นการรู้เกิดความรู้เกิดวิญญาณขึ้นมาเกิดความอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นขึ้นมาทางตาทางอยายตนะหูงเจหมุกลิ้นกายแล้วในที่สุดมันก็เป็นเรื่อง มันพลอดเรื่องขึ้นมาเป็นนามรูปเป็นความพอใจความลหลงใยยึดติดในตาหูจมูกลิ้นกายชอบเป็นเฉพาะเรื่องนะ่ะไทีนี้ติดทางตาติดทางหงูทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางสัมผัสเพรามันมีความอยากท่า น, นี้ที่เกิดขึ้นอุปทานมันแวบเข้ามามันอยู่ทางตาทางหงานนูนี่มันก็อยากกระทบ เขาเรียกว่าอยากผัสสักก็เกิดการผัสสักพอมีผัสสักก็มีความพอใจไม่พอใจกลายเป็นเวทนาเวทนาไม่ได้หมายว่าเจ็บปวดนะไอตัวเจ็บปวดนั้นเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติแต่ไม่ใช่เวทนาในปฏิจจสมุป บ, บาทไม่ใช่เวทนาทางขันธ์หน้าเวทนาทางธาตุสี่นี่จะเป็นธรรมชาติส่วนมากคนเรียนรู้ธรรมะเนี่ยไปเรียนรู้ที่ธาตุสี่ ไม่ได้เรียนรู้ที่ขันคือไม่เรียนรู้ที่จิตเพราะอะไรเพราะว่าธาตุเนี่ยมันเป็นภาวะที่ดูง่ายเห็นง่ายอย่างเกิดแก่เจ็บตายนี่เราก็นึกว่าไอ้การเกิดแก่เจ็บตายทางร่างกายนี่เกิดมาแล้วก็อยากตายอยากอะไรไปนั่นมันไม่ใช่พุทธธรรมนะถึงแม้จะเกิดแก่เจ็บตายทางร่างกายสักเจ็ดรอบสิบรอบนี้ก็ไม่ได้แก้ทุกได้เลยเพราะมันไม่ได้ดับความอยาก ถ้าจะเรียนรู้ทางธาตุนี่ยต้องเรียนรู้ธาตุหกธาตุสีแล้วก็ต่อด้วยวิญญาณธาตุโอกาสสธาตุเพื่อเรียนรู้ธาตุว่างความว่างของจิตแล้วเรียนรู้ธาตุแห่งการรู้ตัวทั่วพร้อมเพื่อไปสู่ความว่างอันนั้นนะคือเข้าใจดนั้นอาศัยการเจริญสติเป็นกุญแจเปิดหรือไข มาสู่ความรู้แจ้งในจิตที่เรียกเอาว่าอาภิธรรมหรือเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันต้องเห็นชัดเจนมาตามลำดับเชื่อมแจ้งในเวทนาส่วนมากพุทธธรรมก็มีรูปเวทนามีรูปกระทบปุ๊บทางตาเนี่ยรูปหมูกระทบทางเสียงมันเป็นรูปรูปที่ไหนไม่ใช่รูปที่ข้างนอกนะ จะเป็นรูปที่ปรากฏในจิตเรารูปปรากฏเกิดขึ้นแล้วมันจะเกิดความพอใจไม่พอใจก็คืออาการของจิตเหมือนเดิมนั่นแหละมีเวทนามีสัญญาความจำทีนี้ก็เกิดขึ้นในจิตนั่นแหละนั้นปฏิบัติธรรมนี่เห็นการต่อเนื่องของจิตเราที่เป็นอุปาทานมันเก็บมาเกาะเข้าด้วยกันแล้วมันใส่นอ็อตลุกเข้าไปเหมือนบ้านหลังนี้ที่เราอยู่เนี่ย ที่มันอยู่ด้วยกันได้เนี่ยเพราะมันมีนอ็อตมีตะปูอะ่ะเป็นตัวยึดติดทั้งที่จริงมันก็เป็นไม้ไม้เหมือนกันเป็นสังกสีเป็นกระเบื้องเป็นอะไรมาเกาะมาเกี่ยวกันเอาอะไรขึ้นไปพาดไปวางแต่ที่สําคัญก็คือตรงเนี้ยตรงคานรับน้ําหนักเนี่ยที่มันมาเกาะมายึดเนี่ยคือระหว่างตัวเวทนาเนี่ยมันมีน็อตไปติดเอาไว้ไอ้ตัว น, อน็อตแหละ คือตัวอุปทานนะเอาตัวรูปเวทนาสัญญาสังขารพวกนี้มโนภาพาไว้ด้วยกันแล้วมันก็ใส่น็อดจิตไว้อุปทานมันทิดแต่ถ้ามันไม่ยึดเนี่ยมันจะเป็นธรรมชาติมันเป็นรูปธรรมชาติเวทนากระทบเป็นธรรมชาติเป็นสัญญาเป็นความจําธรรมดาเออจําได้คนนี้ชื่อ น, นี้เนนะาะหน้าตานี้โอ้รู้แล้วใช้ประโยชน์จากการจํา บางคนนี้สมมติว่าเป็นพ่อนะเป็นแม่นะเป็นพี่เป็นน้องเป็นคนรักคนชังคนอันนี้มันให้โทษ น, นันี่ความร้อนเนี่ยความหนาวความเย็นให้โทษไปนะมันก็จำธรรมดาลแล้วก็ปฏิบัติ ต, ต่อผัสสะที่เป็นธรรมชาติไม่ต้องไปปรุงไปแต่งไม่ต้องไปเสริมไปเติมแต่เพราะมันไม่รู้แจ้งพอกระทบผัสสะแล้วมันมีเวทนาคือพอใจและไม่พอใจ มันไม่ใช่เวทนาที่มันเป็นธรรมชาติมันธรรมชาติเวทนาทางกายเป็นแบบหนึง่งธรรมชาติที่เป็นเวทนาทางจิตเนี่ยเป็นอีกแบบหนึง่งเพราะมันมีเวทนาเรารับไม่ทันเราตัดไม่ออกข้อของมันแต่ละข้อแต่ละข้อที่มันมันเป็นสร้างเรื่องขึ้นมาเป็นเวทนาก็เป็นตัณหาตัณหาคือความอยาก มาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอยากในกามอยากในอยากเป็นอยากมีอย่างนี้อยากพ้นให้ห่างพอมีตัณหาเราก็เสพตัณหาซะพอเสพตัณหาก็เกิดความยึดติดหนักแน่นเอไว้อันไหนที่เสพแล้วมันมีความรู้สึกมันชอบมันก็ติดเนี่ยมันคืออันไม่ชอบก็ติดเหมือนกันนะติดแบบไม่ชอบ แล้วไม่อยากเข้าใกล้อย่างเช่นเราไปเจอใครแล้วมันพูดไม่ดีเนี่ยเราไปสมมุติว่ามันพูดไม่ดีแล้วเราก็ไม่ชอบลักษณะอาจารย์ท่าทางแบบนี้เรามีเวทนาในลักษณะที่เป็นปฏิเสธมีปฏิเสธกับยอมรับมี o พ i ติ v e n e g ก t i v e กับไปกลับมาชีวิตมันไม่ได้อยู่กลางกลางพออยากปฏิเสธเราก็อึดัดก็เป็นทุกข์ก็กลายเป็นโทสะท่านเอ ปรากฏการมันชอบก็เป็นโลภะที่ชอบแล้วไม่ได้ก็เป็นโทสะมันก็จะอยู่อยนี้แล้วชอบไม่ชอบพอไม่เข้าใจในกระบวนการเกิดการดับของมันเนี่ยก็เป็นโมหะจิตวันวันหนึ่งแล้วก็แวบเข้าไปอยู่เรื่อย ๆ, ๆก็ทําให้เป็นตัณหาเป็นอุปทานพอเป็นอุปทานนก็เก็บเอาไว้พอมันสนองใจสมอยาก แล้วก็เอิบอิ่มไปซะสักยะหนึ่ง <c oughs> แต่มันก็เก็บความพอใจไม่พอใจนั้นอิสหนก็แสวงหาอีกเหมือนเดิมในรูปแบบคล้ายๆเดิมก็เกิดดีเกิดดี ก, ก็เป็นอีกเพราะอะไรเพมันไม่รู้แจ้งการเกิดกเรียกว่าชาติปิทุกขาการเกิดเป็นทุกข์ชาติปิทุกขฆาชาราปิทุขามรานามปิทุขังการเกิดเป็นทุกข์ความคิดมันแก่ๆมันก็เป็นทุก มันเป็นทุกวันก่อนก่อนมานี่หลวตาเอาหนังสือให้รองผู้อำนวยการพุทธศาสนาจังหวัดเขาไปที่วัดก็ เ, เลยเข้าไปอา่านจะให้เล่นๆไปไงแต่วันหนึ่งเขากลับมาที่วัดเขาขีดเส้นไว้เลยว่าอันนี้เทือด เ, เป็นแบบ น, นี้อันนี้เป็นอย่างเงี้ยผมก็เป็นคนสนใจธรรมะนั้นโปดผมไม่เข้าใจเขาว่าเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นยังไง เกิดแก่เจ็บตายทําไมต้องเป็นทุกข์ด้วยเกิดมาในผมก็ไม่ได้ทุกข์นะเขาว่าพ่อแม่นวล น, นั้นที่เป็นทุกข์นะผมไม่ได้ทุกข์กับใครนะเวลาแก่แก่ผมก็ไม่ได้ทุกข์กับมันนะมันก็เป็นธรรมดาเลยแต่พอมาอา่านหนังสือโอ้พึ่งเข้าใจว่าเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นอย่างนี้ผมก็ยังขัดขัดแย้งอยู่อ่ะคําคสอนว่าพู้ได้เจ้านี่เอ๊ะทำไมมันไม่แจ้งตรงนี้ทําไมไม่เข้าใจอ่ะ ทำไมเราไม่เข้าใจทั้งที่มั น, มนไม่น่าใจยากแต่พออธิบายโอรู้สึเข้าใจได้ทันทีเลยเขาเลยเข้าใจแล้วเขาก็หัวเลาะขึ้นมาของเขาเองนเขาอยู่ที่บ้านอ่านหนังสือโอ้โกงโงต่ตั้งนานคือมันไม่เข้าใจแต่พอเข้าใจแล้วก็เข้าใจมันก็แจ่มแจ้งขึ้นมามันก็คลายความสงสัยมันเป็นภพในใจเป็นชาติในใจเป็นชาลาในจิต แล้วมันตายคืมหายแวบไปก็อยู่ในใจชาติชรามระโสกโสกก็เป็นทุกโศกโสกะปริเทวะปริเท ว, ะเทวะนะวะทุกขโทมก็คือความร่ำลีรํำไหลความร่ำไรรํำพันความร่ำลีร่ำปริเทวนาการคือคิดแล้วก็คิดอีกนั่นแหละ โศกแล้วก็โศกอีกรักแล้วก็รักอีกชั่งแล้วก็ชั่งอีกจิตมันเป็นอย่างนั้นนหะมีบางไม่ในเราเนี่ยคนไหนเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นโทุกเป็นกระบวนการของการเกิดทุกข์เห็นมันอยู่บ่อยๆมันเป็นห่วงโซ่เป็นข้อที่มันต่อกันไปต่อกันมาพอเห็นอาการเกิดขึ้นไม่ให้มันยืดยาวแล้วอย่าให้อุปท า, านมันไปยึดติดเอาไว้ รีบคลายนอ็อตมันออกปล่อยให้มันร่วงลงไปอย่าให้มันไปเกาะยึดติดกันมันก็ไม่เป็นเรื่องเป็นราวบ้านหลังนี้ก็ไม่เป็นบ้านมันก็กองอไอ้ที่มันเป็นบ้านสมมุติว่าเป็นบ้านก็คืออย่างเงี้ยสมมุติว่าสวยสมมุติว่างามสมมุติว่าดีว่าถูกว่าผิดก็เพราะไอ้ตัวน็อตนั่นแหละที่มันไปเกาะยึดติดนะตัวอุปทานนะเขาจะบอกว่าให้มาปรงซะปรงปรงปร ง, ปรงก็คือวางวาง ปรงสังขารวางสังขารนวางความปรุงแต่งปรุงความปรุงแต่งถอด น, อน็อตออกมาสักคลายมันออกถ้าจะใช้ก็ใช้ร่างกายสังขารเนีใช้แล้วก็วางใช้แล้วก็วางแต่อย่าไปผูกพันยึด ต, ติดมันให้เรามารู้จักความลับของความคิดความปรุงแต่งอันนี้มันชัดเจนขึ้นมา ที่มันปฏะติดประต่อเรียกว่าเป็นปฏิดจะสมุปบาทที่มันผูกพันเนี่ยในใจเราเนี่ยแต่ละสิ่งแต่ละอย่างแทนที่จะผูกพันประติดประต่อกันแล้วมันเกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่ให้มันผูกพันไม่ให้มันประติดประต่อเห็นการประติดประต่อกันแล้วก็สลายแล้วตัดออกทีละขั้วทีละขั้วไม่ให้มันเกิดตัดบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้ากําลังมันมีมากมันจะได้พ้าขันเพชร ด้วยมีตัดที่เขาเรียกวอลัตตนะชั่วทีเดียวมันจะขาดสะ บ, บั้นออกจากกันจิตของเราเองเนี่ยมันมีภูมิปัญญาหรือภูมิธรรมชนิดนั้นอยู่ไม่ใช่ภูมิปัญญาชาวบ้านนะไม่ใช่ภูมิปัญญาของคนนั้นคนนี้ภูมิปัญญาของคนทุกคนแล้วมันมีอยู่ในคนทุกคนสําคัญว่าคนไหนจะเฝ้าดู ปรากฏการณ์นี้มากน้อยแค่ไหนเพียงเราไม่เข้าใจปรากฏการณ์ของจิตของชีวิตอันนี้ศาสนาพุทธจึงแตกแขนงออกไปมากมายหลากหลายไงพอเราไปศึกษาแต่เปลือกเปลือกศึกษาแต่ประเพณีพิธีกรรมเราไม่ได้ศึกษาที่แก่นแท้ของพุทธธรรมไม่ได้ศึกษาเรื่องสุญญาตาเรื่องอนัตตาไม่ได้ศึกษาเรื่องกายเรื่องจิต ไม่ได้ศึกษาเรื่องขันไม่ได้ศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทคือไม่ได้ศึกษาปรากฏการณ์ที่ปรากฏในจิตเนี่ยนั่นเองที่เรียกว่าไม่เรียนรู้อภิธรรมไม่เรียนรู้ธรรมะที่เป็นปรมัตถธรรมเราเรียนอยู่ในขั้นที่สมมุติสมมุติว่าอย่างนั้นสมมุติามันก็ทุกข์ทีแต่ละวันนะ เพราะอะไรโอ๊ยบ้านนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นวะน่าสงสัยจะมีผีมีนดมีนี่นะมันดำดำเขียวเขียวขาวขวมันกลมมันนุ่นนะ่ะนี่เดี๋ยวเอาไฟมาติดเอากระแลมาใส่เอาบันไดมาวางเอาทางเท้ามาปรงุรงทำตัวนั้นเสริมตัวนี้เสริมมันก็แค่นั้นอนะ่ะเมื่อไหร่ที่คุณสามารถรือ้อทิ้งลองดูดีแล้วคุณจะรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรผี หรือความไม่เข้าใจคําว่าเผลอนี่มันปรากฏที่ไหนเปิดเกิดปรากฏที่จิตเราเกิดที่จิตแล้วถ้าเราเลือทิง้งปุ๊บมันก็ไม่มีอะไรมันไม่ได้มาใสายจิตนี้เกิดกิเลสไม่ได้มาใสายจิตนี้เกิดความเชื่อความงมงายความเะไรจักไม่ได้มาใสายจิต น, นั้นความรักความชังเนี่ยมันเกิดเพราะอะไรเพราะกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทนี่มันไหลมากเกินไปในแต่ละวันขันหน้าเรารูปพูด เบตนาสัญญาสังานวิญญาณหมุนอยู่ไม่รู้กี่รอบวันหนึ่งเนี่ยเราก็เลยไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรชีวิตมันคืออะไรกันแน่นะทำไมรักชอบชังแต่ละวันเนี่ยเกิดขึ้นมาเราก็เข้าไปสู่กระบวนการของสังสารวัฏหรือเรียกว่าวัฏะสงสารการหมุนของวัฏะสงสารวัฏะวนก็คือวัฏฏคือวนนั่นแหละวนไปวนมา กรรมวัฏตะกรรมวัฏกิเลสวัฏวิปากวัฏถ้าเรามีกิเลสนะมีกิเลสมีความอยากความคิดอยู่มันก็ต้องสร้างกรรมพอทํากรรมมันก็ต้องมีวิบากมีผลของมันนะ่ะถ้ายังมีความคิดความอยากอยู่มันก็ต้องทํากรรมเนี่ยพอทํากรรมมันก็เกิดผลไม่ดีก็ชั่วสองเงินที่ถ้าเราไม่ตัดมัน ไม่ตัดจิตตัดใจมันก็ต้องทํำอีกทําอีกมันก็เกิดดีกทาอีกมันก็เกิดอี ก, อ ก, น ก, ก, อ ก, ว, กวนกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเขาเลยบอกว่ า, วาเกิดแล้วเกิดอีกตายแล้วตายอีกอยูเนี่ยมีวันจบสิน้นท่านี่บอกเออให้ฆ่ามันซะฆ่าความรู้สึกอะนี้ฆ่าให้มันตายก่อนตายซะทีนี้กระบวนการที่มันเป็ น, นอย่างนี้แล้วเราไม่เข้าใจเนี่ยมันก็ยาก คนไม่ศึกษานนี้จริงจริงจเขาก็สร้างศาสตร์ใหม่ขึ้นมาเพราะโลกนี้มันจะวุ่นวายเพราะคนไปยึดติดเอารูปอาเวทนาเนี่ยก็เป็นจริยศาสตร์พูดถึงเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เป็นศีลและธรรมขึ้นมาศีลและธรรมมารองรับคนที่ไม่มีปรมัธิธรรมทีนี้มันก็ไม่คงทางถาวรเอ สีละธรรมที่ไม่มีตัวปรมัตถธรรมเป็นต้นกำเนิดเนี่ยมันจะไม่ถาวรแลมันจะเปลี่ยนแปลงเร็วแมกแล้วมันจะกลายเป็นความงมงายความยึดติดเป็นสีละพะตะปรามาตยึดติดในประเพณีในพิธีกรรมในความเชื่อในความงม ง, งายที่ไม่ได้เกิดจากการรู้แจ้งเนี่ยเป็นสีละพะตะปรามาตแต่มันก็ยังดีกว่าไม่มีนะนั้นศาสนาทั้งหลายทั้งปวง มันเกิดขึ้นเพราะอะนคนไม่เข้าถึงธรรมพอคนไม่เข้าถึงธรรมมันก็อธิบายมุมนั้นอธิบายมุมนี้อันนี้น่าจะเป็นนี้อันนี้นแล้วมันถูกจริตกับใครคนก็นไหลไปตามกระแสก็เท่านั้นเองแต่ถ้าคนศึกษาที่บอกเกิดของทุกข์จริงๆคือมาเฝ้าอยู่ที่จิตมาละเอียรู้เฝ้าดูอยู่ที่ตัวอริธรรมนี่จริงๆเนี่ยคนจะไม่ต้องมีศาสนาเลยเพราะศึกษาบอกเกิดของศาสนาทุกศาสนาแล้วคือที่ใจ เวลาเข้าถึงก็ชื่อว่าเข้าถึงทุกศาสนาเพราะศาสนาทุกศาสนาศาสตร์ทุกศาสตร์ก็ต้องการมุ่งชี้แจงแสดงความจริงของมนุษย์ที่ไม่เป็นทุกข์หรือเป็นทุกข์คืออะไรศาสนาพุทธจึงสอนเรื่องสองเรื่องเท่านั้นคือเรื่องทุกข์กับเรื่องการดับทุกข์เท่านั้นเองเพราะเรามันทุกเพราะอะไร จะดับทุกโดวยวิธีไหนก็แยกก็คือทุกสมุ ท, ทยัยทุกกับนิโรธมันเป็นผลนะสมุทัยกำมักเป็นเหตุท่านก็ส อ, สองสองสองอย่างต้นทุกสมุทัยนิโรธมากก็คือทุกกับการดับทุกสอนสองงานทีแต่เดี๋นี้มันแตกมากเหตุของมันก็คืออะไรเหตุก็คือเฝ้าดูใจ ถ้าเฝ้าดูใจต่อเนื่องก็ดับทุกได้แต่นี้มันไม่เฝ้าดูมันไม่ได้ศึกษาตรงตรงมันเลยไม่รู้อะไรมีแต่พิธีกรรมพิธีการต้องเป็นอย่างโ น, น้นอย่างนี้มากมายหลากหลายจงทั้งวิธีกรรมฐานแบบแบบท่านโคอินกาเนี่ยจึงเสนอตัวเข้ามาอา้าวพิธีการปฏิบัติแบบนี้ไม่ต้องมีพิธีกรรมดูเวทนาเข้าไปเลยทุกก็ดูทุก ทุกขวีธนาที่ปรากฏทางแข่งตังขาเจ็บปวดเมื่อดูมันเข้าไปเลยให้เห็นทุกจนกระทั่งว่าจิตมันปล่อยวางความทุกขันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวกับาศาสนานะเกี่ยวก็ได้ไม่เกี่ยวก็ได้ถ้าเราเข้าใจนะคือสิ่งที่นักปราชญ์ทั้งหลายท่านทำไว้นี่ถือว่าดีหมดแหละถ้าเราเลือกคัดจัดสรรเป็นเนี่ยมันเป็นประโยชน์หมด ยาอันเนี้ยเป็นประโยชน์หมดพุทธโอสถเนี่ยแต่เราจะใช้ในระดับไหนเนี่ยหัวยาห ร, ห, รหรือจะใช้ใบใช้กิ่งใช้การใช้จะใช้คําสอนของพุทธศาสนาในระดับไหนระดับจริยธรรมหรือระดับศีลธรรมหรือระดับขนอธรรมเนียมประเพณีก็คือมันก็จันลงสังคมอยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าจะเข้าถึงสภาวะ ของอภิธรรมหรือของการสิ้นทุกจริงๆเนี่ยคือต้องเรียนรู้ไอ้เรื่องภายว่าภายในอันนี้เข้าไนถึงตัวปรมามัตถสัจจะอันนี้และลึกรู้อยู่เนีในขณะที่เราอยู่กับสังคมเราเราก็ต้องมีจริธรรมมีขนบมีธรรมเนียมมีประเพณีมีวัฒนธรรมร่วมกันไปเรายัางต้องนุ่งเสือ้อนุ่งผ้าต้องแต่งเนื้อแต่งตัว อา้าวมาอยู่วัดปฏิบัติธรรมเขานุ่งชุดขาวเนี่ยถ้านุ่งชุดแดงก็ประหลาดแล้วมันก็ไม่เหมือนคนอื่นเขาเเอา้าวนักบวชปลงผมเนี่ยเอาคนหนึ่งไม่ปลงแล้วมาอยู่ร่วมกันผมหยี ป, ปี้ยาวมันก็ไม่ดีนั้นจริยธรรมศีลธรรมปรมัตถธรรมวัฒนธรรมจริตธรรมรวมแล้ว เขต้องเป็นไปในทิศทางอันเดียวกันนะถ้าเป็นไปในทิศทางเดียวกั น, นะปป น, น, ก, นก็คือเป็นในเดียวกันมันเกื้อกูลกันนะเหมือนมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องอยู่ด้วยกันแต่เอื้อเฟื้อต่อการดับทุกข์การพัฒนาเพื่อให้เกิดภาวะทางศีลธรรมความเป็นอยู่เนี่ยดีขึ้นนะมันก็น่ามีนะมัตนตาลรู้จักคนคนหนึ่งมีลูกสิบเอ็ดคนมีลูกเยอะมากจนที่สุดในหมู่บ้านลูกมันเยอะ ลูกก็เรียนไม่สูงอย่างมากก็ได้มอสามเสร็จปุ๊บมันมันก็ลงไปกรุงเทพกรุงเทพก็ไปทํางานในยุคที่เศรษฐกิจดีๆเมื่อก่อนทํางานเป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์เครื่องโทรทัศน์เครื่องอะไรบา้าต่อมาเขาก็ไม่ออกนะคนนั้นออกคนนี้ออกเขาไม่ออกเขาก็ทํางานไปเรื่อยๆคนนู้นก็ไปทํางานช่างไม้เป็นเฟอร์นิเจอร์ใหญ่ในร้านคนนี้นก็ไปทํางานเป็นช่างก่อสร้างก็เป็นคนใหญ่เป็นผู้รับเหมาเป็ พัฒนาไปปัฒนาไปลูกหลานก็นะเหลืออยู่กับพ่อแม่คนนึงที่บ้านทำไรทํานาหน้าก็มีน้อ ย, นอยคนปรากฏว่าทุกวันเนี่ยสิบคนนี่ส่งเงินมาให้พ่อเขาเดือนละหมื่นปีหนึ่งก็ไดเ้เดือนหนึ่งก็ได้สิบหมื่นพ่อได้ปีละสิบเดือนละสิบหมื่นคือลูกเขาได้คนเดือนละสี่ห้ามหมื่นเนี่ยคนหนึ่งนะนั้นเขาก็ส่งมาให้พ่อเขา เด้อนละหมื่นคนนนั้ก็ส่งมาแล้วมันก็แข่งกันส่งด้วยบางคนก็เกินหมื่นคือแกเราให้ฟังมาเมื่อก่อนเนี่ยไปทําบุญทาทานเนี่ยเวลาทําบุญเขาวะนายอันนั้นบริจาคห้าสิบบาทคนนี้บริจาคหนึ่งร้อยบาทสองร้อยบาทแกเนี่ยไม่มีเงินบริจาคแล้วเขาจะอ่านของแกนะห้าบาทห้าบาทห้าบาทอ่านหลายทีคือบอกมันช้าใจมาก เงินน้อยแต่อ่านเยอะแสดงว่า ม, มันจะประจานนะแกก็มีลูกมากก็ไม่รู้จะหาเงินมาจากไหนเลี้ยงลูกก็ยากแล้วยัมาทําบุญดีมันก็ฝืนใจแต่หลังจากนั้นมันลูกแกส่งมาให้เดือนละหมื่นต่อคนเนี่ยปีหนึ่งในเดือนหนึ่งแกได้เงินเดือนเป็นแสน <c oughs> แล้วแกก็เอามาซื้อวัววัวแกเป็นร้อยร้อยตัวนะแล้วลูกคนเล็กนี่เป็นคนเลี้ยงทําไร่ทํานาเลี้ยงวัวพวกนี้แล้วก็มันออกลูกมาก็แบ่งกับ จากรุ่นพี่ๆน้องๆที่เขาส่งเงินมาให้ซื้อหัวซื้ออะไรเงี้ยแบ่งกันครึ่งโซ อ, งออกมาตัวหนึ่งนี่หมื่นหนึ่งก็แบ่งห้าพันคนเลี้ยงเอาห้าพันเวลาเขาทําบุญทําทานตามวัดเนี่ยห้าวเก็บเงินครัวเรือนละหนึ่งร้อยบาทเก็ลงทันที 1, หนึ่งพันวันนี้เก็บห้าร้อยเก็ลงห้าพันหลวงตาเลยถามว่าทำไมโยมไม่ชอบเอาหน้าหรือไงหรือยังไง โอ้ยผมแค้นใจอยู่เมื่อก่อนอ่านผมห้าบาทหบาททีนี้ผมจะฟาดให้มันอ่านถึงสิบรอบมันก็ไม่อ่านมันอ่านสองรอบเท่านั้นเองรู้สึกว่าไปไหนก็าภูมิใจเลวลาเขาลงประชุมงานบุญงานกุศลอะไรต่างต้องรอแกเพราะว่าแกจะเป็นเจ้ามือใหญ่ออกงานบุญมหาชาติงานแกลงเป็นหมื่นท่านี้แกเป็นคนจนเมื่อก่อนเนี่ยขนาดเป็นคนาารูเป็นบาอาจารย์เป็น หมอเป็นไรในหมู่บ้านก็ยังไม่ลงเงินเท่าแกเพราะมันไม่ได้มีรายได้มากเท่ากับแกเดือนละแสนเนี่ยแลวไม่ได้ลงทุนอะไรเปลี่ยนแต่ต้อนควายไปเลี้ยงต้อนวัวไปเป็นร้อยๆ้อยตัวถ้าขายยกคอกนั่นก็ออกรถสิบร้อยังได้ถ้าอย่างนี้นะอย่างที่ยงตายกตัวอย่างให้ฟังมันก็น่ามีเพราะเขาเกิดมาแล้วเขาเกื้อกูลกันมันเกื้อกูลกันชีวิตเขานะมีลูกเยอะ เขาไม่ได้ประหลาดอะไรอะ่ะถือว่าดีมากประเทศชาติเขาก็บกไม่บอกคูมกําเนิดหรอกถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเอาออกมาเยอะๆพราะ ม, มีคุณภาพคุณธรรมในพุทธศาสนาเหมือนกันศาสตร์ต่างๆเนี่ยทั่วไปถ้ามันเกิดมาแล้วมันเกื้อกูลกันน่ะเกื้อกูลนําไปสู่การดับทุกข์เนี่ยตั้งแต่พ่อแม่ศาสตร์ในการดำรงชีวิตในครอบครัวก็เป็นไปเพื่อการปล่อยการวางไปโรงเรียน ก็รู้จักอันนี้จังทุกขังอนาตาพัฒนามาปถมมัธยมบุดมขึ้นมานี่ยิ่งรู้จักเรื่องสมมติเรื่องปรมัตเรื่องการปล่อยการวางขึ้นมาส่งมาให้พระเนี่เอา้าพาบรรลุนิพพานพอดีแทนเป็นอย่างเนี้ยสังคมนี่ก็ไม่น่าห่วงคุณธรรมทุกอย่างการศึกษาหลักสูตรอะไรต่างเนี่ยมันเกื้อกูลกันมันก็น่าเรียนน่าศึกษาชีวิตเนี่ยเหมือนกับลูกสิบอคนเนี่ยมันก็น่ามี ความรู้ทั้งหลายทั้งปวงมันก็น่าให้เกิดไม่ว่าไปเรียนรู้ที่ไหนก็เรียนรู้ได้ไม่จะเป็นต้องเลือกมาอะไรไม่จ้อเป็นต้องเรียนเลือกอนานานานันใดอันหนีเพราะตั้งแต่เราสอนอยู่ที่บ้านละอะไรอยู่ในการในครอบครัวในสังคมมีเป้าหมายอันเดียวกันคือเพื่อให้เกิดการพ้นทุก์เนี่ยมันก็ไม่ต้องห่วงภาวะสังคมว่ามันจะดีไม่ดีเกิดอะไรยังไงเกิดขึ้น ลูกเราไปทิ้งที่ไหนอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ได้แต่เนื่องจากว่าคนมันไม่รู้ไม่รู้ศาสตร์ทั้งจิตอัเ น, นี้ยเมื่อไม่รู้อันนี้ก็เราก็ติดติดอยู่กับเวทนาปฏิบัติธรรมมันเกิดตรงไหนก็ดับตรงนั้นนะอา้าวรูปปรากฏขึ้นตัดตรงรูปเลยดับให้ได้ตรงรูปท่นี้พอเห็นเวทนาปรากฏขึ้นก็ดับตรงเวทนา เอาลูปมันมาเกิดขึ้นแล้วมันคิดไปตั้งนานแล้วจนมันพอใจมั่พอใจชอบชังแล้วตัดตรงนั้นแหละพอรู้ตรงไหนก็ตัดตรงนั้นมันมาทางความจําแล้วก็ตัดตรงความจําตอนนี้มันปรุงแต่งนะยืดยาวก็ตัดตัวปรุงแต่งตรงบที่มันปรุงแต่งนนัคือทันตรงไหนก็ตัดตัดตรงนั้นอย่าไปโศกเศร้าเสียโอ้ยทําไมกูถึงคิดอย่างนี้เนาะเอาลูกกำลังคิดซ้อนคิดเข้าไาอีกแล้วนะี่ยตัดไป ตัดอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนั้นโซ่มันก็จะไม่เกาะกันพอไม่เกาะกันนี่เขาเรียกว่ารู้จักอะิธรรมทนะทีนี้พอมาแยกแยะตามกระบวนการตามหลักวิชาการเอากุศลธรรมะกุศลธรรมะปียกต า, า, าธรรมะกตมีธรรมะจิตของคนเนะี่ยมีคิดดีก็มีนะึคิดไม่ดีก็มีนะักกุศลก็มีอกุศลก็มีนะถ้าตัดไม่ได้นะระวังดีๆเด้อ อพยยากตารมบางทีก็เป็น ก, กลางๆยังไม่ดีไม่ชัว่วนะแล้วมันก็ดับไปเฉยๆยิ่งถ้ามีสติและ ล, ลึกรู้การถ้มาม่ทำมาคุลนะจะสมมตสมยกาวมาว่าเจริญุสนนจิตตัว่าโมติโสมรัสสสัตังมีสติและ ล, ลึกรู้ประกอบกับการคิดคิดในก็เห็นคิดการเห็นเห็นมากขึ้นมากขึ้มขมนมันชํานาญขึ้นมันก็เป็นญาณญนะาณสัมปยุตตัง มันก็เกิดปีติมีโสมนัสเกิดขึ้นถ้าเรารู้เราเห็นการคิดการปรุงแต่งบ่อยๆเนี่ยมียานเข้ามารับรู้นี่ ย, ยาณสัมปยุตถ้ามีสติรละลึกรู้บ่อยๆมันก็จะเกิดปีติคือมันอันเดียวกับที่เราปฏิบัติธรรมนี่นะมันไม่ได้นอกนะมันก็เกิดปีติเกิดปีติเกิดปัจสถทิขึ้นมามเกิดปีติคือความเอื้อ่มจะคือความเข้าใจมันจะโลง่โลงโปร่ง จิตใจมันจะลงลูกมันไม้เหมือนแบบถ้าคิดอะไรตึ๊กกรรมก็ติดอยู่ในหัวติดอยู่ในกหัวแต่นี้มันไม่ได้ติดในหัวมันเข้าใจแล้วมันหายไปเข้าใจเขามันเก็บแต่ความเข้าใจชีวิตเนี่ยแต่มันไม่ได้เก็บเอาความรักความชังอันนั้นเข้ามาใส่ใจรูปารมณังว่าสัทธารมนังว่าคันดารมนังว่าปุถารมนังวายังยังว่าปัญหาลพัตสมนีสมิยอันเยปิอติปฏิจัสมุปปนาปติจัสมุปปนา ปฏิจจะสมุปนคือการเกิดขึ้นการปฏิปัตต่ออรูปิโนธรรมอิเมธรรมะกุศลารเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่ปรุงแต่งเนี่ย ร, รูปปรูปังระมณังวาคันธาระมณังวาโพธพารมณังวายังยังวาปณาระพะคือมันปรารบอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจถ้าเห็นผัสสะอยู่มันก็ไม่ปรุงแต่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นจะไม่เป็นอกุศล อย่างมากก็เป็นกุศลกุศลก็คือความฉลาดในการเห็นธรร ม, มารมณ์ที่ปรากฏเกิดขึ้นเราเห็นเนะี่ยโอ้มันเป็นกุศลและจิตนะเนี่ยเห็นแล้วมันก็เกิดการปล่อยวางเห็นแล้วเกิดกลอวางเพราะถ้าเห็นบ่อยๆตัวอนิจจังก็ยิ่งปรากฏตัวอนัตตาก็ยิ่งปรากฏถ้าไปยึดก็ทุกข์ก็ปรากฏมันก็จะอยู่ประมาณนั้นท่านก็สอนแบบเนี้ยนี่เขเรียกว่าอภิธรรมก็คือเรื่องอะไรก็เรื่องที่เราเดินจง ก, กรมนี้แหละ ที่เรามาเลยลึกรู้นี่แหละอันเดียวกันเนี่ยเพียงแต่ว่า เ, าเขาไม่ไปเทศในเวลาปฏิบัติธรรมดันไปเทศในเราเวลาที่เราไม่มีความพร้อมที่จะฟังคือเวลาญาติตายพ่อแม่พี่น้องตายหรือบางทีเราตายไปแล้วพระจึงมาเทศให้เราฟังอยู่ในโรงนะแล้วเขาก็ไปเคาะลุกขึ้นมาฟังนะพระมาเทศแล้วนะมันจะมาฟังอะไรมันไม่รู้นะงั้นเราก็มาเทศให้ฟังตอนนี้แหละตอนที่มันยังไม่ตายเนี่ยตอนมานั่งฟังวันนี้ เทียนฟางเพื่ออะไรเพื่อไปฆ่าตัวเองให้มันตายซะแต่ละคนให้มันตายอยู่ภายในหลายๆคนสวดได้นะพระยิ่งสวดได้ดีและสวดหากินด้วยนี่อนภะิธรรมแต่บางทีก็ไม่เข้าใจในในสมมุติบัญญัติที่เขาบัญญัติอันนี้เขาสมมติอันนี้ขึ้นมาเนะี่ยเพื่ออะไรอัฏฐะบัญญัติความหมายที่ลึกซึ้ง ที่เป็นลักษณะพลังของการรู้พิธรรมแล้วทาให้เกิดการสลัดการปล่อยกันวางภายในเขาเรียกว่าอัฐะบัญญัติสมมุติบัญญัติอัฐะบัญญัติอริยะบัญญัติภาวะที่ปรากฏเกิดขึ้นที่ยินยอมพร้อมรับรู้ร่วมกันเนี่ยอันนี้คือความหมายอันนี้ น, นี้นี่คืออะไรเนี่ยมันเข้าไม่ถึงไงมันเพียงแต่เปลือกที่อยู่ข้างนอกอภิธรรมก็เลยไม่ช่วย จะลงสังคมอะไรได้เลยแล้วกลายเป็นสาบที่ลึกมากเพราะเราเรียนรู้กันแบบฉาบเฉยหรือแบบงมงายยิ่งถ้าไปเรียนอนะพี่ทําแบบแบบในตําราเรียนที่นั่นที่นี่อนะไรแต่ยิ่งจะงมงายนะักเข้าไปอีกเพราะเราเรียนแต่เปลือกมันเราไม่ได้เรียนแก่นถ้าเรียนแก่นก็คือวกมาเรียนที่จิตเราปรากฏการณอันนี้ให้เห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นการปฏิจประตะกันของความคิดแล้วตัดมันได้ ถ้าไม่รู้สึกตัวมันจะคิดนะพอมันคิดมนปรุงแตง่งนะเีห็นอวิชชาถ้ามันเกิดสังขารวิญญาณ น, นามรูปตัดเลยที่นี่เห็นตรงนั้นก็ตัดตรงนั้นนนัน้ยิ่งทําตัวสติให้ต่อเนื่องมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันก็มีความรับหนึ่งว่ามันจะเกิดการรู้แจ้งที่ขันเนี่ยที่จิตเราเนี่ยอย่งชัดเจนขึ้นมาทันทีเกิดตื่นโพรงเกิดสว่างพอมันสว่างมสว่างที่ไหนพิสสว่างที่ใจนั่นแหละ ใช่มันสว่างมันก็จะเห็นความรับสว่างครั้งหนึ่งก็เห็นความรับพรหนึ่งสว่างสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งหาครั้งเขาบอกว่าบางคนเนี่ยสว่างเกินเจ็ดครั้งอะเอ้ามันสว่างทุกวันทุกวันแล้วทําไมมันจะไม่แจ้งสว่างทีเข้าที่เข้าจนทั่งว่าเอามันอยู่เองเข้าใจแล้วมันเป็นอย่างงี้ของมันเองไอ้ที่มันมืดแล้วมันคิดปรุงแต่เพราะมันไม่สว่างนั่นเองเพราะมันสว่างมันแจ่มแจ้งมันก็ไม่มีอะไรตรงวิ่งไปข้างหน้าเจ็บเนี่ยเราก็รู้เท่าทันมันมันก็มีสิทธิ์มันไม่รู้ รสชาติของการปรุงแต่งเนี่ยมันไม่ได้อริ่อร่อยเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนที่ยังไม่แจ้งเวลามันแจ้งมันทำอะไรได้สบายนะถ้ามันแจ้งขึ้นมาเราไปทำอะไรได้สบายเลยทำโน่นทานี่ดำเนินดำรงชีวิตเนี่ยได้สบา ย, บายในจิตของเราก็เหมือนกันถ้ามันแจ่มแจ้งเนี่ยเราจะไม่สงสัยเลยการเกิดการตายตา ย, ตายแล้วเกิดไม่ตายแลย้วเป็นยังไงไม่ต้องมา พี่นิดพี่เคราะห์อะไรกับชีวิตอันเนีเออ้ชีวิตมันเป็นอย่างนั้นแน่มันน่าจะเป็นนี่ราะอ่านหนังสือตัว น, นั้นมาว่าอย่างนี้ไปฟังคนโอ้ไม่ต้องเลยดูเข้ามาที่ใจเราเลยถ้าเราแจ่มแจ้งอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องไปถามใครแล้วไม่ต้องไปท่านไปพลึงไปวิตกกังวลกับปรากฏการณ์ทางสังคมที่มันมีมันเป็นอยู่ทุกวันเนี่ยที่แต่ละคนมีคนเป็นเนี่ยเพราะอะไรเพราะเขาไม่รู้เนี่ยเพอไม่รู้แล้วเขาตื่น พระพุทธเจ้าท่านจึงไปพูดกับชาวกาลามะอยู่ช่วงหนึ่งครับโอ้ยคนนั้นก็นมาว่าอันนี้วัฒธรรมดีวันก่อนก็คนนั้นมากะว่าธรรมะดีอันนี้ก็ธรรมะแบบนั้นดีแบบนี้ดีเลยไม่รู้ว่าจะให้ปฏิบัติธรรมของศาสตาหไหนดีเนะี่ยเพราะคนไหนคนไหนก็ว่าแต่ดีดีดีอันนึงก็ถูกอันนี้ก็ถูกนะพระพุทธเจ้าวะมันไม่มีอะไรถูกอะไรผิดหรอกถ้าจะปฏิบัติตามเนี่ย ทดสอบกับตัวเองนั่นแหละอย่าพึ่งเชื่ออย่าพึ่งเชื่ออย่าพึ่งเชื่อได้ยินได้ฟังมาก็เชื่อว่าอันนั้นถูกก็อย่าพึ่งเชื่ออย่าเชื่อว่ามันมีในคัมภีร์ในตำรับตำราก็อย่าพึ่งเชื่ออย่าเชื่อว่านี่เป็นเรื่องประมปราอันนี้อย่าเชื่อว่าเออปฏิปทาของผู้มาพูดมากล่าวนี่เป็นเรื่องที่น่าเชื่อถือเป็นผู้เท่าผู้แก่ผู้มีวาทะอย่าโนนี้น่าเชื่อก็เลยเชื่อก็ไม่เชื่อพวเนี้ย ใจเชื่อโดยคำนึงคำนวณใจเชื่อโดยคิดว่ามันเหมือนกับที่กูคิดเปรียวเลยเนี่ยไอ้เรื่องอย่างเงี้ยตรงกับใจที่เราคิดไว้อยู่หรือใจเชื่อตามอาการอย่างเขาบอกว่าการบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นเน่โน้นอย่างนี้การรู้แจ้มเราก็มาคำนึงคำนวณกับอาการแล้ว เ, เอยเมื่อวานนี่กูก็เป็นสมัยก่อนกูก็เคยเป็นครั้งหนึ่งครั้งนี้ครั้งสองครั้งเลยจิตมันดึงขึ้นมาเรามาคำนึงกับ คำนวณเอามาประกอบกับอาการนี้เราคิดเออเราก็เคยเป็นนะเราก็มาตีค่าว่าถูกหรือผิดอะไรประมาณนั้นท่านไม่มีอยู่แบบนั้นไม่เชื่อซักอันเดนวะตั้งใจทําความเพียรตั้งใจปฏิบัติสมาทานทำเราได้ก็ตามสมาทานแล้วเป็นไปเพื่อความมักน้อยสันโดษเป็นไปเพื่อความเลี้ยงง่ายเป็นปเพื่อความไม่ไม่มีความอยากอันใหญ่เป็นไปเพื่อการเบื่อหน่ายเหนื่อยหน่ายคลายกําหนัด เป็นไปเพื่อการปล่อยการวางสมาทานแล้วไม่เป็นไปเพื่อการเบียดเบียนตนเองคำว่าเบียดเบียนตนเองนี่ก็ยากนะเนี่ยบางคนไปเดินจุกกมแล้วเดินไปมันง่วงเอาานอนโอ้ยมันเบียดเบียนตวเองนะไอเนี่ยเลือกดีกว่าไม่ใช่นะไม่เป็นการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นในเบื้องต้นท่ามกลางได้ที่สุดคำว่าเบียดเบียนตนเองนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เดินไปเดินมา หรือเขาให้กินข้าวมื้อเดียวหรือมื้อครึ่งอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเบียดเบียนตัวเองเยคุณต้องมาทบทวนวิถีชีวิตของคุณก่อนว่าที่ผ่านมานะจริงจรมันคืออะไรต้องหาข้อดีข้อเสียมันหน่อยอยากเขาให้กินข้าวมึงมื้อและเหลือนั้นปฏิบัติธรรมี่เบียดเบียนไหมเขาอาศัยเหตุผลอะไรทําไมเขาถึงจะสร้างเงื่อนไขอันนี้การที่เราเรียกว่าเบียดเบียนตัวเองเนี่ยมันเบียดเบียนเพราะมันเป็นความหยาหรือเป็นความจริงไง ถ้าเราเข้าถึงถึงความจริงในพฤติกรรมที่เราสร้างเงื่อนไขขึ้นมาเราจะเข้าใจได้โดยไม่ยากแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเข้าไม่ถึงเนี่ยทุกอย่างก็นังกระเบียดเบียนอันนี้กระเบียดเบียนบางคนโอ้ยเดินจงกรมทั้งวันเนี่มันเป็นอัตตะกิริมฐานุโยกหรอทรมานตัวเองเรือว่าทรมานมันบ้างเถอะมันดีมามากแล้วตั้งแต่เกิดมานี่อันนี้มันยังไม่ได้ถึงขั้นของพระเจ้าคําว่าเบียดเบียนตัวเองเนี่ยคือ ในเบื้องต้นก็เบียดเบียนท่ามกลางก็เบียดเบียนที่สุดผลมันออกมาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเป็นการเบียดเบียนทั้งกายวาจาจิตทำ 1, 2, วันหนึ่งสองวันสามวันสีวันหวันก็เบียดเบียนคือต้องนึกนะพระพุทธเจ้าทำไมต้องไปนั่ ง, งชั้นน้อยโภชเนมัตยมตันยุตาชากริยานุโยกอาตาปีสติมาสัมปะชายโยชาโนทำไมต้องไประลึกรู้เฝ้าดูเฝ้าแผดเผาอารมณ์ตัวเนงแลที่สุดออกมาเป็นพระพุทธเจ้า เราเรียนหนังสือนี่กว่าจะมาเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเป็นนักธุรกิจแล้วมานั่งฟังธรรมะอันนี้ได้ก็ต้องใส่การอดการทนถาวมะนั้นคือการบิดเบียนไม่ไม่ใช่เขาเรียกว่าเป็นมร์อันนี้นเป็นมร์เป็นวิธีการแบบลบโลกโลกิยมร์แต่อันนี้มันเป็นโลกุตรธรรมร์อันนี้มันเลี่อเฟื้อต่อการเข้าถึงผลของสัจธรมมรมทําไม่ได้เบียดตัวเองแล้วในที่สุด ไปสู่การรู้แจ้งเห็นจริงดับทุกได้ท่านบออัน่นแหละสมาทานอันนั้นแหละสมาทานก็คือยึดถือน้อมนำเข้ามาเป็นเส้นทางการฝึกหัดดัดตัวเองผลก็มันก็คือความทุกข์มันลดน้อยลงจนกระทั่งว่ามันหายไปในที่สุดจนกระทั่งมันไม่มีอะไรเขาพูดว่าคนเราเนี่ยถ้าปฏิบัติทำได้จนกระทั่งว่าทาที่กาเริบไม่ได้มันปรากฏขึ้น อ, อันนันชัย พ อ, อมาเฝ้าดูเฝ้าดูเฝ้าดูไอ้ความลึกลับซับซ้อนของชีวิตจริงๆเนี่ยเวลาเข้าใจก็จะเป็นตามตามหลักบทสุดท้ายคือของมหาปรฐานที่บอกว่าเหตุปัจโยตุอย่างมีเหตุปัจจัยอารมณปปัจโยเหตุสิบแปดอย่างนะของชีวิตของอารมณ์กรรมฐานเราบางอย่างมีอารมณ์เป็นปัจจัยนิสยาปัจโยบางอย่างมันเป็นมีนิสันยนะมันเกิดขึ้นเพราะนิสัย ความโกรธเดยวนิสัยเดิมมันโกรธมันก็เลยยากลําบากมาปฏิบัติธรรมในง่วงเหรอเขานอนเดินในซ้ายซ้ายขวาจะเป็นจะตายนิสยัยปฏิโยนิสัยมันนะ่ะนิสัยเดิมบางคนเอามาแล้วโล่งโล่งๆนะขยันเอา้าเขามีอุปนิสัยอุปนิสัยเดิมๆเขาเป็นคนที่ฝืนตัวเองอยู่บ่อยๆแล้วช่วยเหลือตัวเองบ่อยๆมานี้เขาไม่ต้องฝืนอะไรมากเลย พอมีอุปนิสัยอุปัตแปลว่าเข้าไปใกล้นิสัยเขาใกล้ๆเจ้า ก, การรู้อยู่แล้วใกล้ความเป็นผู้รู้ใกล้ที่จะรู้ทำปุเรชาตประโยก่อนมาปฏิบัติธรรมนี่ปุเรปุเรชาปุเรชาตินิสัยก่อนๆเน่ยเขาดีพฤติกรรมเขาดีพ่อดีแม่ดีพันดีสอนทำบุญตักบาตรทำบุญทำทานเรืนี้พอมาปฏิบัติธรรมนี้ เขาเคยทําวิปัสนาเคยเนั่งเคยนี่บ้างมันก็ง่ายเรียกวปุเรชาติปัจจโยปัจฉาชาติปัจโยปัจฉาปัจฉก็คือปัจจัยล่างหลังเนี่ยเมื่อก่อนก็ไม่ได้เรื่องแต่พอมาปฏิบัติทําสักระยะหนึ่งสองสาวันไม่ได้เรื่องเครื่องของเขาเ ป, เป็นเครื่องดีเซลปอนชา้าปฏิบัติมากขึ้นล้างหลังเอาก็เริ่มดีขึ้นมานะเมื่อก่อนไม่น่าไม่อยู่ในวิสัยว่าจะไล่กลับแล้วมันไม่ได้เรื่องแต่พอมาเอา มาเริ่มจริงเรื่องดร่มจังขึ้นมาปัจฉาชาตปัจจโยของท่านองค์ุลิมานภูเลชาติไม่ดีภูเรชาตไม่ดีแต่ปัจฉาชาตดีหลังมานี่เอาจริงเงิฟังฟังพระพุทธเจ้าเราเข้าใจแล้วไปทําแล้วเขาตั้งใจทําด้วยเนี่ยปัจฉาชาตอาเสวนาปัจโยอเสีวนา หยุดพูดหยุดคุยเนะี่ยการหยุดพูดหยุดคุยเนะี่ยเป็นปัจจัยอันนี้ไม่ใช่เสวนานะถ้าเสวนาก็เสวนากับบัณฑิตอเสวนาจะพาลานังปันติตานั่นจะเสวนาปันติตาคือคุยกับบัณฑิตบัณฑิตก็คือผู้รู้ผู้รู้เรื่องจิตเร่อใจนี่เราไปคุยกับเขาอย่างเราฟังมาฟังเทศฟังธรรมมาอยู่ด้วยกันมาต่างคนต่างเป็นบัณฑิตคือผู้รักษาอารมณ์ผู้มองด้านในอันนี้ ปันธิตานันจะเซวนาปูชาจะพูก็เป็นไปตามสิอาสวนปั จ, จโยอย่าพูดอย่าคุยกันเนี้ยอย่าไปเสพอารมณ์อย่าไปปรุงแต่งไม่ว่าจะด้วยบุคคลหรือด้วยอารมณ์แล้วกรรมะปัจจโยมีกรรมมีการกระทาคนไหนนอกจากไม่เสพอสตบุรุษไม่เสพคนพาน ไม่พูดไม่คุยรู้จักสำรวมระวังแล้วเนี่ยกรรมมาปฏิโยกรรมก็คือการกระทำเรามาปฏิบัติทําการยกมือสร้างจังหวะ ก, กันเดินทุกคนเป็นการสร้างกรรมกรรมเขาเรียกว่ากุศลกรรมกรรมมาปฏิโยมีกรรมเป็นปัจจัย ม, มีการกระทําถ้าไม่ทําล่ะฟังเฉยๆแล้วไม่ทํานะจะทําในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่ซึ่งคําสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นตามสติกําลังด้วยสติกําลัง ปฏิบัติตามคําสอนของพุทธเจ้าด้วยสติด้วยกําลังที่เรามีภายในก็เลเลึกรู้ตามมันเป็นกรรมมปัจโยวิปบาป ก, ก็มีวิบากวิบาวเป็นกุศลธรรมอาหารอาหารปัจโยอาหารเป็นปัจจัยไหมเอาเป็นดิ่กินมากง่วงเงากินมากเป็นปัญห า, อ า, อ, าอารมณ์นั่นอารมณ์นี่ปรากฏเกิดขึ้นเพราะเรื่องการกินเดี๋ยวนี้การกินคือเป็นส่วนหนึ่งของของชีวิต ที่เป็นกิเลสตัณหากินกามเกียดมันจืนอยู่ด้วยกันกินกามเกียดกินกามเกียดอาหารปัจยุอาหา ร, ปาหารเป็นปัจจัยนะแต่ไม่หง่วงไม่ง่วงบางทีทุกข์มากวันนี้ปวดหัวมี้วยจะล้มจะตายสนนแสดนเพราะเราพ่ไม่มีอาหารเข้ามานั้นก็ต้องเอาพอดีกินน้อยตายยากกินมากตายง่ายกินพอดีก็ไม่ต้องตายกินน้อยตายยากตายยากก็พอทนได้กินมากตายง่ายคือ พอไปแล้วตายแต่ดีเดินจูโกไม่กี่รอบนะตายแล้วตัวสติเราน่ะตายปัญญาเราตายมันดับเร็วพเพราะอะไรเพราะอันนี้เข้ามาเบียดเบียนถ้าพอดีพอดีมันก็ไม่ตายมันก็คงสภาพตัวรู้ปกติได้สบายสบายชีวิตเราก็คือชีวิตจะตายหรือไม่ตายขึ้นตัวปกตินั่ น, น, นแหละ ค, คือตัวชีวิตเรากายกับจิตมันอยู่ด้วยกันแล้วมันมีความปกติตัวปกตินั่นแหละคือตัวชีวิตเราดีจะมารักษาชีวิตก็คือรักษาตัวปกตินั่นแหละอย่าให้มันตายอินทรีย์เป็นปัจจัย อ่าฮะปั จ, จโยอินเทียอินทรีย์เป็นปัจจัยอินรีอินสีก็คือศรัทธามีไหมวิริยะสติสมาธิปัญญาอินรีห้าพละหโพจฌงเจ็ดอรยิยมรรคมีมองค์แปดพวกเนี้ยคุณธรรมพวกเนี้ยอินทรีย์ล่านี้แก่กล้าพอไหมบางทีมันก็ไม่มีนะมีศรัทธาอยู่แต่สาัธาในน้อยพอไปกระทบเมื่อยก็เบื่อแล้ววิริยะความขยันแต่พอไปเจือ ง, ง่วงกังหันหลังแล้ว มันวิริยะมันไม่พอมันไม่มีพละศรัทธาพละสติพละสมาธิพละปัญญาพละกายินรีมเนินรนะีนสัินสีวิเดยินรีสมาธินรีปัญพวกนี้มันไม่มีคือมันต้องมีพลังที่สูงพอสมควรมันจึงจะทะลุอลารมณ์คนนั้นไปได้เขาบอกว่ามีอินรีเป็นปัจจัยอินเสียอินเสลี ย, ยปัจจยัยบางที ยินรียเราไม่เก่๋กามันก็ไม่กลายเป็นฌานะปัฏิโยไม่มีฌานเพราะว่าของสติสมาธิมันไม่มีพลังพอที่จะก้าวหน้าไปสู่ความเป็นฌานเหมือนคนจะศึกษาเรียนรู้หรือทํางานอันนี้เขาเล่าสมมติว่าคนต้องจบปริญญาตรีความรู้ละระดับม .3 ม .3 เนี่ยคือมันระดับยินทรีในน้อยมันไม่เก่ก้าพอที่จะเป็นฌานคือมันไม่สูงนะความรู้ไม่ถึงปริญญาเขาก็ไม่รับ ปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันที่จะทะลุไปสู่อารมณ์ที่ลึกๆสูงๆขึ้นไปสู่การรู้อริธรรมลึกๆเนี่ยคุณต้องมีฌานะปัจยโยเป็นฌานฌานที่หนึ่งวิโตวิญญาณปิติสุขเอกคตาอุเบขาฌานที่สี่ก็คือมีแต่ความมีสติอาตาปีสติมาส ม, มีสติรละลึกรู้แล้วก็มีอุเบคา มีสติและอุเบกขาแล้วแลอยู่นี่เป็นฌานสีก็เลยลึกอยู่ตรงนี้พอระลึกต่อเนื่องมากขึ้นมากขึ้นก็เป็นฌานปัจจยมัคคปัจจยมัคคะปัจจัยใหามันเป็นมัคมักคก็คือเข้าไปสู่ในกระบวนการของเป็นสมาธิฏฐิโดยสมบูรณ์แบบเลยเป็นตัวสมมาทิรู้ตัวทั่วพร้อมตลอดเวลามัคคะปั จ, จโยสัมปยุตตะปัจโยวิปยุตตะปัจบางอย่าง ต้องประกอบนะต้องมีการประกอบเป็นปัจจัยทำบางอย่างไม่มีการประกอบประกอบก็คือตั้งแต่เรื่องฌานเรื่องสมาบัตต้องมีสติเป็นตัวประกอบถ้าฌานมีแต่สมาธิไม่มีตัวสติประกอบก็อีกละหลุดก็ไปสู่ฌานแบบลือสีอีกละไม่ใช่ฌานฌานแบบพุทธไม่ใช่ฌานนะจิตแบบธรรมดาเป็นเรื่องของความงง ง, งายไปเป็นการเพ่งการช่องไปทรมานจิตตัวเอง มัคคปัจโยสัมปยุตปัจโยวิปยุตปัญโยรบางอย่างไม่ต้องมีการประกอบนะทําบางอย่างไม่มีการประกอบคืออย่างนิพพานเนี่ยพอไปถึงสภาพธรรมแล้วไม่ต้องประกอบไม่ต้องใช้ความเพียรความคือไปถึงบ้านแล้วไม่ต้องใช้ความขยันนะไม่ต้องใช้ความขยันไม่ต้องมีศรัทธาไม่ต้องตั้งใจไม่ต้องอะไรมันไปถึงแล้วนะถึงแล้วก็ไม่ต้องอาศัยตัวประกอบเหมือนพระเอกตัวจริงนะเขาว่าไม่ต้องมีตัวประกอบเต้นหนังนี่มันต้องมีนะมีตัวประกอบเพื่ออะไรเพื่อ ชูคนใดคนหนึ่งที่เป็นพระเอกตัวจริงๆขึ้นมาเดนีสกิเลตเราเยอะตรงวิจารณ์ภาพยนตร์สักหน่อยนะเดี๋ยวนี้กิเลตนนนะเนเคนเยอะเมื่อก่อนเนี่ดูหนังเรื่องหนึ่งเนี่ยพระเอกคนหนึ่งพอนอกนั้นตัวโกงตัวไายพอเลยเดยนี้ไม่พระเอกนี่จะรวมอยู่ในหนังเรื่องเดียวกั น, นหลายหลายหลายคนต่อไปนี้นางเอกก็เหมือนกันจะรวมอยู่ในเรื่องเดียวกันหลายหลายคนถ้างั้นมันมันมั น, มนป้อนเข้าสู่ตลาดไม่ได้ เพราะคนเดี่ยนี้เขาอยากได้รูปเยอะๆพร้อมกันอยากได้กลิ่นอยากได้เสียงพร้อมๆกันอะไรก็อยากได้เยอะๆพร้อมๆกันเหมือนหมอบางคนเนี่ยขายประกันชีวิตก็มีนะทำธุรกิจขายตรงก็มีนะทำโน่นทำนี่มากมายละ่ะขายยาก็มีนะหมอเครื่องสมานก็มีเนี่ยก็มีมากมายละ่ะพระบางทีก็ทำหน้าที่ขายประกันชีวิตก็มีนะพระนะ เป็นพระพระพุทธเจ้าบางทีก็รับเชื่อมป้ายนะระดับตกแทงทำน้นทำนี้โอ้ยสารพัดนะพระแทนที่ทำหน้าที่คนทุกแต่เป็นพระรับจ้างสอนหนังสือก็มีสอนจริยธรรมสอนอะไรประมาณนี้เดี๋ยวนี้มันจะทำหน้าที่เพลงก็เหมือนกันนะเพลงในตลาดเพลงเนี่ยซีดีแผ่นหนึ่งวีซีดีแผ่นหนึ่งเนี่ยถ้าคุณไปทำตลาดแบบเมื่อก่อนว่าเพลงนี่คนนี้ล้านล้านล้านล้า น, ลานตลับ คุณจะไม่ได้ดก็อไปเพราะว่าความอยากของคนนี่มันสลับซับซ้อนขึ้นมันต้องบรรจุเพลงดังๆหรือศิลปินหลายๆคนนะในค่ายรวมลงอยู่ในแผ่นเดียวที่เขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรลงตางกันจาไม่ได้อเขามารวมกันนะฟังคนนี้เพลงแบบนี้เสียงดนตรีแบบนี้จะฟังได้หลายแต่เราไม่อยากฟังเสียงนั้นเพลงคนคนหนึ่งก็จะดังเพลงเดียว ในตลับหนึ่งนะไม่เหมือนสัญญาสัญญาเมื่อก่อนนะสายยันออกมาชุดหนึ่งดังทุกเพลงทุกเพลงนะแต่คนอื่นอาจจะไม่ดังไวโพดเป็นสุพันณเฟื่อนพรมแดนนี่อาจจะดังเพียงเดียวตั้งแต่นนท์แหละรุ่นข่าสดๆอะไรประมาณนั้นฮิฮิฮ่ฮ่าฮนะดังเพลงเดียวสายเพลงสายใจมันรุ่นเก่าหน่อยแต่ปัจจุบันนี้ไม่อ่ะดัง สายยันนี้เขาดังทุกเพลงแต่นี้ไม่ดังเเนี้เขาก็เก็บมาจากศิลปินคนนั้นคนนี้เอามาคนละเพลงมารวมเป็นอันเดียวกันทอปฮิตแล้วคนจะซื้อทีนี้เขาอยากซื้อแบบนี้อยากซื้อรูปลหลายคนมาอยู่ในเดียวกันเห็นไหมแต่ฟังแต่เพลงเขาก็ไม่อยากเอาแล้วเดี๋ยวนี้ต้องมีรูปเต้นอยู่ด้วยเป็น vcd มีคาราโอเกะ คือรูปรสกลินเสียงเนี่ยมันจะเอามารวมกันกูจะชอบนี่กูซื้อห้าสิบบาทจีกูต้องได้ทุกอย่างนะถ้าไม่ ไ, มได้กูก็ไม่เอาอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนั้นหมดแล้วเดี๋ยวนี้ตลาดมันไปอย่างนั้นหมดมันต้องอยู่ในอันเดียวกันถึงจะได้ต่อไปเนี่ยโรงพยาบาลท่สังเกตดลนะคนไม่อยากเข้านะเมื่อก่อนโดยเฉพาะพวกโรงพยาบาลบ้านเนี่ยไม่อยากเข้าโรคจิตเนะี่ยเวลาเข้าไปแล้วรู้สึกว่าเขาจะเหมาว่าเป็นบ้า ก็เลยไม่อยากเข้าแต่เดี๋ยวนี้เขาเข้านักเรียนก็เข้าข้าราชการตรนี้เขา้าโอ้ยโรงพยาบาลบ้าโรงพยาบาลจิตเวชยิ่งคนเยอะแต่งชุดไปอย่างดิพะก็เข้าด้วยนะคือเป็นธรรมดาเมื่อก่อนถ้าเป็นเรื่องจิตเรื่องใจเจ็บใครได้ป่วยไปหาพระพอไปในวัดมันไม่ถูกตีตราว่าบ้าหรือผิดปกติไปแบบธรรมะธรรมโมแล้วคนก็ยอมรับแต่ถ้าไปโรงพยาบาลน่รู้สึกาอายเมื่อก่อน แต่ปัจจุบันนี่เจ็บใครได้ป่วยทางกายก็ไปโรงพยาบาลทางจิตก็ไปโรงพยาบาลเขาไม่อยากเข้าไปในวัดนะเดี๋ยวนียมันเปลี่ยนไปแล้วเดี๋ยวนี้โครคภัยไข้เจ็บไม่ว่าทางกายหรือทางจิตนะเขาไปหาหมอคือหมอนี่มีเครดิตสูงคือเป็นผู้เชี่ยวชาญและความเชื่อว่าเขาเรียนสูงเรียนมากเนี่ยมันจะช่วยเขาได้ประชาชนเขาก็ยอมรับเขาไปหาหมอแต่ไม่รู้ว่าหมอก็ กำลังจะจ้องกินเขาอยู่เขาจะจิกเอาเอายิ่งไปหมอมีดีกีหน่อยเป็นพอสลอสอบเป็นนมเป็นนี่หน่ะค่ารักษาพอจับอันนั้นมาจำเขาปฏิท้องนะเอาแล้วหนึ่งพันบาทเริ่มต้นแหน่ค่าฝีมือนะนี่ยยายังไม่ได้บวกนะทุระโรคจิตก็เหมือนกันทีนี้เขาไปหาหมอไปโรงพยาบาลหมอจิตเวชคือหมอนี่ต้องเชี่ยวชาญหลากหลายเรื่องกายด้วยเรื่องจิตด้วย ต้องวิเคราะห์สังเคราะห์อะไรความรู้ความเข้าใจหรือโรคของคนเนี่ยว่าโรคที่เกิดจากโรคจริงๆเรื่องนี้แฝงไปด้วยอุปทาน 50% 70% เนี่ยวันนี้เป็นโรคน้อยแต่มันเป็นเอามากอะไรมันแต่เดนี้หมอก็ยุให้คนไปหาหมอะวันทีเข้าโรงพยาบาล น, นไม่ดียุไปที่คลินิกนะคลินิกนะจะดีมันเพราะอะไรเพราะว่าจะเพิ่มอุปทานเขามากขึ้นตรวจสักหน่อยแล้วอาทิตย์หน้ามาอีกนะแหน่ ทำไมไม่ทำให้มันหายไปเลยทำไมจะเอาหลายรอบจังเพราะอะไรเพราะความอยากแต่หมอดีก็เยอะนะหมอดีก็เยอะมันเหมือนกันนะทุกวงการทุกถิ่นทุกที่ทุกแห่งท่านทำให้มันรวมกันรวมกันเป็นหนึ่งเดียวสติสมาธิปัญญาอินทรีย์อะไรต่างเนี่ยเป็นมรรคเป็นผลแต่เราไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจเราก็คิดว่าเออจิตอันเนี้ย อาการนี้เป็นเพราะอันนั้นนี่เราก็ตีรวมไปหมดแต่บางอยา่างทําบางอย่างเนี่ยไม่ต้องรวมฮิตไม่ต้องมารวมไม่ต้องมีพลังไม่มีอะไรเลยเขาบอกว่าอะไรนะอัธิปัจจโยสรุปเนี่ยทำรร ม, มันจะมีสองแบบอัธิปัจยโยทำรร ม, มัอย่างมีปัจจัยนัติปัจยโยบางอย่างไม่มีปัจจัยสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นธรรมที่มีปัจจัย การระลึกรู้การทำบ่อยๆนี่เป็นการสร้างปัจจัยแต่เป็นปัจจัยที่เป็นกุศลแรธรรมเพื่ออะไรเพื่อไปสู่ความเป็นความพ่อพูณของอินทรีย์ของมรรคของผลขึ้นมาแต่ถ้าหลุดพ้นไปแล้วก็ไม่ต้องสร้างเหตุปัจจัยอย่างโซดาสกิทาคาอนาคาระหว่างมรรคก็ต้องสร้างปัจจัยให้เกิดผลสร้างมรรคสปัจจัยให้เกิดผลผลตัวนี้เป็นตัวผลักดันนาไปสู่ผลตัวที่สูงขึ้นกว่า มักสี่ผลสี่แต่ท่านิพานหนึ่งตัวนิพานตัวสุดท้ายในยเป็นนัตถิปัจยโยเป็นธรรมะสภาวะที่ไม่มีปัจจัยไม่มีปัจจัยแต่ปัจจัยบางอย่างก็มีอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยสมนันตระปั จ, จยโยระวังดีนนะเวลาปฏิบัติทําไปจเจริญสติไปทําบางอย่างเนี่ยเวลาจเจริญสติไปสัหน่อยกําลังจะได้อารมณ์คนนักตะโกนเรียกซะมางทีก็ตีละครแม่งซะ วุ้ยหมดเวลากาลังได้มันมีสมนันตรัพย์ปัจจัยมันเข้ามาขั้นนะหรือบางทีเรากำลัลงฟงุ้งซ่านกูบาจา์เดินไปคุยด้วยโอ้ก็หายฟาุ้งซ่านอโอ้ช่วยพักยกเมื่อกีกำลังถูกกิเลสมันมตีสะบักสะบอมปากแตก่ปากเจือไปพอท่านมาพูดหน่อ ก, ก็หายขึ้นมานิดน้อยนี่กขาว่าเออมันมันช่วย แล้มาปฏิบัติธรรมนี้มาเจอครูบาอาจารย์ในโน้นในนี้เราเจอเพื่อนกัญญาณวิเพื่ออะไรเพื่อสร้างอนันตรัปัจจัยสมนันตรัปัจจัยแล้วแม้แต่อาหารปัจเจียวอินทรีย์ปัจจัยพวกนี้ยคือคนที่เขารู้มาแล้วเนี่เขาจะให้มันอยู่ในระดับไหนเนี่ยเราก็เข้ามารับรู้มาฝึกมาเทรนกับอันนั้นเขาสร้างเหตุสร้างปัจจัยถ้ามันถูกเนี่ยเราไม่ต้องลงทุนมากเลยแต่ถ้าเราไปทํเอาเองเราต้องทุนได้มาก เราต้องลงทุนลงทุนมากนะเราก็ไม่รู้อีกว่าจิตเราจะสร้างเหตุปัจจัยที่เป็นกิเลสหรือเป็นธรรให้กับเราเนี่ยแต่ถ้าไม่อยู่นี้ก็สบายเลยถึงเวลาปุ๊บอาหารก็มาตั้งให้แล้วสุดท้ายด้วยพ่ธ ร, รมนี่เขาสรุปเอาไว้ว่าอนิจจาวตาสังขาราอุปาทวญยธรรมินุปจิตวานิโรจนติเตสังวูปสโมสุโค ได้จับโยมจับโยมจับเสื้อยมอา น, นิจาวัตสันโอ้โยมจะชอกตายกลัวเอาท่านพูดสัจธรรมแล้วไปกลัวอะไรมันมีอะไรให้กลัวมันไม่มีเขาพูดความจริงอา น, นิจจาอา น, นิจจาคือแปลว่าไม่เที่ยงนะวะตะวัตตะแปลว่าหนอมาษาบาลสังขาราสังขารสังขาร น, นี้ไม่เที่ยงหนอ สังขารนี่ไม่เที่ยงนอทุกอย่างเนี่ยมันไม่เที่ยงนอหมอลาเขายังลาเลยโอรนอนี่ก็คือเขาอยากพูดว่าสังขารนี่มันไม่เที่ยงนอนอั่นแหละมันไม่เที่ยงโอรนอนอคิดดูดีๆเด้ออะไรก็ไม่เที่ยงนะทุกอย่างเนี่ยมันมันเป็นอย่างนั้นหมดเนะี่ยแต่เราก็ไปยึดมันเที่ยงอันนี้จังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตน แต่โลกีธรรมเนี่ยคนท้างหนงต้องปวงมองว่านิจจังสุขังอัตตานิจจังคือเที่ยงทุกอย่างต้องเป็นอย่างที่กูคิดทุกอย่างต้องเป็นที่กูทําทุกเป็นต้องเป็นไปทุกอย่างต้องเป็นไปอย่างที่กูอยากได้มันต้องเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้สร้างเงื่องไกพอมันไม่เป็นตามแเราลองไห้คนเนี่ยเอ้าธรรมะสัจธรรมเข้าปลากฏเกิดขึ้นอันนี้จังไง คุณดันมันต้องเอาอันนี้ให้ได้เอาอ น, นี้ใได้พวมันไม่ได้คุณก็ร้องเอมโกครับผมปิดหวังผมเสียใจผมโหนศัจธรรมเขาปรากฏเกิดขึ้นแต่ความจริงปรากฏกขึ้นคุณกําลังทําในสิ่งที่ขัดแย้งกับศัจธรรมนะสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอุปาทวะอุปาทะก็คือเกิดขึ้นยะธรรมมิโนธรรมทั้งหลายนี้มีการเกิดขึ้น อุปชิตวะในรุจันติทุกอย่างที่เกิดขึ้นในย่อมดับไปเป็นธรรมดาสังขาร น, นะเขาพูดสังขาร น, นะเขาไม่ได้ว่าธรรมทั้งหลายนะสังเกตดูนะอ น, นิจยาวัตสังฆราสังฆราไม่ว่าธรรมมานะถ้าธรรมะนี่มันจะรวมนิพพานนั้นตรงนี้เขาจะตัดออกเขาจะใช้คําว่าสังขารแต่เขาไม่ใช่คําว่าธรรมมาเพราะเขาไม่อยากให้รวมเพราะว่ไอ้ตัวธรรมธรรมมะทั้งปวงคือตัวนิพพานเนี่ย มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวอันนีจังทุกขอังอนาตามันจะคนละขบวนการคนละส่วนกันผู้ที่แต่งบนนี้ทาไมเขารอบครอบจังคือเขาเข้าใจจริงๆนะนั้นสัจธรรมบนนี้มันทนต่อการพิสูจน์หรือแม้มันสองพันสามพันปีมาเวลาคนเข้าใจทีหลังก็เออมันเหมือนเนะี่ยคุณแต่งนี่ไม่ผิดเลยนะสภาวะธรรมเลยคือมันผ่านการกันกรองม า, ก, งมาก็เรียกว่าการสังคยานาง นันจึงไม่ต้องมาปลุกมาอะไรใหม่เลยคําสอนพุทธศาสนาเนี่ยมันดีอยู่แล้วมันไม่เหมือนศาสตร์แบบอื่นที่ยุคหนึ่งผ่านไปก็เปลี่ยนแปลงยุคหนึ่งผ่านไปก็ต้องสัมปยุตใหม่ต้องสร้างเหตุปัจจัยใหม่แต่พุทธธรรมไม่ต้องสร้างเหตุปัจจัยอะไรเลยเขาถึงว่าเป็นวิทยาศาสตร์ขนานแท้ไงไม่มีคําว่าล้าสมัยตราบใดที่คนยังเป็นทุกข์เพราะความคิดตัวเองหรือหาทางออกให้กับชีวิตยอยู่เนี่ยนั่นแหละคําตอบของพุทธศาสนาเนี่ยเป็นคําตอบที่ยั่งยืนนะ แต่ทางตะวันตกเดี๋ยวนี้เขากําลังเหื่อจิตวิทยาจิตวิทยาเป็นคําตอบให้กับชีวิตทางตะวันตกเขาก็วิ่งหาทางออกใกับความทุกข์ชีวิตเขาเขาก็อ่านจิตวิทยาตรงนั้นตรงนี้เขรู้สึกว่าดีขึ้นแต่เมื่อไหรที่เขาคลืบคลานเข้ามาตรงสู่สัจธรรมของชีวิตตรงตรงปรมาภิษสัจจะเนี่ยเขาจะเห็นว่าความสมบูรณ์แบบของศาสตร์ทางจิตมีอยู่แล้วในพุทธธรรมเนี่ยแต่ว่าเขาทําไม่ตรงนั้นเอง เป็นอย่างเขาว่าจริงๆไหมวะถ้าเราดับความคิดได้เราไม่ทุกข์ดับความปรุงแต่งเตสังวูปะสมุสุสร้างจังหวะเตสังวูปะสมุสุโคการเข้าไปสงบระดับระงับดับสังขารดับความปรุงแต่งให้มันวูบไปวูปะเนี่ยก็มาจากคาว่าวูบนั่นแหละถ้ามันวูบลงพอมันรู้มันคิดปุ๊บดับทันทีวูปะสมุ ภูปสมะสุขโขก็มีความสุขนีความสุขก็เกิดขึ้นหาตรงไหนตรงที่มันดับสังขารดับการปรุงแต่งนั้นไม่ใช่ไปสร้างเงื่อนไขอะไรขึ้นมาเยอะมีเงินมีทองมีข้าวมีขอ ง, ม, ของมีรถมีลามีนนท์มีนี่ไ <c oughs> อ้ท่นบอ ม, มันวูบลงเราทุกทันทีนะเศรษฐกิจวูบลงอะไรมันวูบลงนั่นอันนี้วูบลงเป็นทุกหมดแต่สร้างสังขารวูบลงเนี่ยไม่ทุกอันนี้สมุ ส, โมสุโ ข, ข, ขแหะเนี่ยเป็นความสุข นั้นธรรมะของพุทธศาสนาเนี่ยท่านก็พูดไว้ฝากไว้ตรงนั้นบางตรงพระสูตรบ้างตรงพระวินัยบ้างตรงพระอภิธรรมฝากไว้ไหลายแห่งหลายที่ <c oughs> เพื่อให้คนเข้าใจแต่คนก็ไม่เข้าใจแม้แต่ผู้ที่ใช้ธรรมะของพุทเจ้าในพระสูตรต่างๆก็ไปใช้เพื่ออึดการเกื้อเลีเฟื้อเกือ้อกูลต่อการเกิดกิเลสของตัวเององไม่ได้ไปเพื่อการเห็นธรรมรู้ธรรมเข้าใจธรรม ปัญญามันไม่เกิดนันศาสตร์ของพุทธศาสนาจึงไม่รู้ยังไงเหมือนง ม, มงายเหมือนเฮ้ยไรสาระนะหรือเป็นการสร้างภาพสร้างพจน์ให้กับบุคคลในบุคคลหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะจริงๆไม่ใช่เพื่อทุกชีวิตเพื่อทุกสังขารให้เขาถึงสัจธรรมเนี่ยนก็อยากให้พวกเราทั้งหลายมีส่วนต่อการรับรถพระสัจธรรม าสาทธรรมคือความจริงที่พุทธิยถาตรัตไวแล้วนะได้มาเกื้อกูลต่อชีวิตของเราเองให้เป็นชีวิตที่ไม่มีทุกข์ชีวิตที่อยู่แบบสบายเกิดมาแล้วก็ยัยเป็นทุกข์เพราะการเกิดเกิดมาแล้วยัยเป็นทุกข์เพราะการเกิดนะมันแก่ก็ยัยเป็นทุกข์เพราะการแก่มันเจ็บก็ยัยเป็นทุกข์เพราะการเจ็บตายก็อยู่ทุกข์เพราะการตายแต่บางคนว่ามาเดินจุกมณีมันเจ็บมันแก่มันตายมันเป็นทุกข์ เขาก็อยากหนีไปอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านมันแก่มันก็แก่เหมือนเดิมทุกเหมือนเดิมทา่าแต่ น, นี่เรามาแก่เมันทุกแต่เรามาเฝ้าดูมันนั่นนี่เราไม่ใช่เรามาเป็นทุกนะมาเฝ้าดูทุกลอ น, นตาก็ไม่ได้บอกนะบอกพวกเธอเดินเยอะๆหนะ้าทั้งวันนะเราไม่ได้พูดนะพวกเธอเดินเองนะนะั่นน่ะนั่งซ้ายจังหวะทั้งวันนะไม่ได้บางคนมันพูดแล้วโอยตายไม่นึกว่ามันจะเดินทั้งวันอย่างนี้ถ้าเจ็ดวันจะตายพอดีเลยขนาดวันเดียวยังขนาดนี้ ยาพาราเอามาก็หมดแล้วกลับไปบ้านนี่ไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมปซื้อยาฉีดซื้อยากินยาอะไรอ่างเงี้ยโอ้ยลําบากเขาเป็นอย่างงั้นจริงจริงเนียแต่เราไม่รู้นั่งพอดีกินนี่ก็ยังรู้จักพอดีเป็นนั่งก็นัน่งพอดีเดินก็เดินพอดีบ้างข้างล่างเนี่ยจากนี่ขึ้นมาข้างบนนะะจากขาขึ้นมาข้างบนเนี่ยข้างบนนี่มันหนักนะขานี่เหมือนไม่จะเกียบสองเงนเดินก้าวไปก้าวมาเนี่ย แล้วมันทวงน้ำหนักมันก็แท้งลงไปเรื่อยๆเจ็วันเนี่ยวันมันหนึ่งมันหนักมากนั่นก็ให้มันพอดีนั่งบ้างจัดสรรอริยบทมันพอดียืนเดินนั่งนอนนั่มันพอดีพอดีนอนพอดีหลับพอดีตื่นพอดีกินพอดีทําพอดีทุกอย่างมันเป็นพอดีนั่นแหละก็เรียกว่าสัมมาสัมมาญานสัมมาวีมุติมันเป็นสัมมา สัมมาเป็นความรู้เป็นสัมมาวายามะนะสัมมากับมันตะมันเป็นความเพียรที่พอดีเป็นการใช้ชีวิตที่พอดีเป็นการหลุดพ้นที่พอดีอะไรที่มันพอดีไปหมดนะี่ยเขาเรียกว่าเขาเป็นมัคี่แท้จริงเป็นผลที่แท้จริงก็อนุโมทนานะ